เดี๋ย ว, ว น, นี้เราเราสนทนากันหน่อยนะึงในในพระสูตรก็คือในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเขาว้เนี่ยเรื่องที่จริงท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์สั่งยุทธสั่งยุทธา น, นิกายเนี่ยในคัมภีร์สั่งยุทธซึ่งกล่าวไว้ หลายหลายพระสูตรมากหลายพระสูตรมากมีประมาณเกือบเจ็ดสูตรแต่ท่านกล่าวเป็นหัวข้อย่อๆย่อๆเข้าไว้เนี่ยในคำพีเนี่ยในกัลยาณมิตรสูตรเป็นต้นเหล่านี้นะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้บอกว่าอะไรเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเบื้องต้นในการเจริญอริยมรรค พระรัตเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะอุทัยหรือจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ขึ้นก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตเป็นปุพานิมิตเกิดขึ้นก่อนเนี่ยคือแสงเงินแสงทองซึ่งเป็นเบื้องต้นของนิมิตก่อนแห่งการเกิดขึ้นของดวงอาทิตย์แม้ชั้นใดการที่อริยมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะเกิดขึ้นมาได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันก็จะต้องมีปุพานิมิต ทีนี้ปุพานิมิตข้อแรกที่เป็นปัจจัยที่ทําให้อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยในข้อแรกนี้ท่านพูดถึงในเรื่องของกัลยานามิตรความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแล้วก็พูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติของกัลยานามิตรเน่ยว่าเป็นสิ่งที่พวกความมีกัลยานมิตรข้หผามิตร ท, ที่ดีนั่นก็เป็นแหล่งเป็นแหล่งแห่งเป็น ปัญญาและเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะทำให้เราได้แบบอย่างที่ดีได้ข้อมูลความรู้ที่ดีเป็นต้นนี้พอพูดถึงในเรื่องของกตัวกายานามิตรเนี่ยนะในพระสูตรก็กล่าวไว้ค่อนข้างมากมายเลยเ ย, ยกตัวอย่างตั้งแต่ยอดการยานามิตรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดกรรยานามิตรอย่างไรฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของการยานามิตรสูตรเนี่ยการยานามิตรสูตร ก็คือพูดถึงในเรื่องของสูตรที่พูดถึงในเรื่องของกาลยานามิตรเนี่ยโอ้ตัดไว้หลายที่หลายแห่งที่ว่ามิตรแท้เพื่อนแท้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้พระเจ้าก็กล่าวถึงขนาดว่าเมื่อพุทธบริษัทเนี่ยได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกาลยานามิตรเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเป็นมิตรที่ดีบุคคลที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นความเกิดเป็นต้นไปได้ บุคคลที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่บุคคลที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเจ็บไข้เป็นต้นนั่นก็พูดถึงคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็พูดถึงในหลักของพระสูตรอีกเยอะแยะพูดถึงว่าหลักของกัลยาณมิตรเนี่ยในในคำสอนนะหลายแห่งที่ท่านรวบรวมเข้าไว้เนี่ยนะพูดถึงคุณสมบัติของ ความเป็นกัญยานามิตรว่ามีอะไรบ้างเป็นต้น อ, อประเด็นตรงนี้ถามว่ามันสําคัญอะไรกับกับพวกเราอย่างไงเนี่ยมันสําคัญตรงที่พวกเราจะได้รู้จักที่จะเฟ้นหรือคบหาหรือแยกแยะอย่างการสแสวงหาปัญญาและแบบอย่างที่ดีอยู่ร่วมใกล้ชิดกับกัญยานชนที่จะมีอิทธิพลชักนําและชักชวนกันให้เจริญงอกงามในการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญา ถ้าเราได้แบบอย่างหรือได้บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรานะสามารถที่จะทําให้เราในพัฒนาทางด้านโดยเฉพาะทางด้านของพฤติกรรมพฤติกรรมที่จะดําเนินไปตามศีลได้พฤติกรรมที่จะเ ด, เดินไปตามปัญญาเป็นต้นได้หรือด้านจิตใจที่งอกงามเป็นต้นได้แล้วก็ด้านปัญญาอันนี้ก็เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราควรจะสแสวงหานั่นเขาเรียกว่าเป็น กัลยาณมิตรก็คือเป็นมิตรมิตรภายนอกทีนี้ถ้ามองถึงในเรื่องของคำว่าปรตโตโคนาเนี่ยที่เขาเรียกว่าเสียงจากผู้อื่นที่จะให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องหรือสมาธิถีเนี่ยหรือเสียงที่ดีงามเสียงที่ถูกต้องเสียงที่บอกกล่าวถึงความจริงมีเหตุมีผลเป็นประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งก็คือเกิดจากความรักความปรารถนาดีไอเสียงที่ดีงามถูกต้องเนี่ยก็หมายถึงแหล่งที่ทาให้เกิด แหล่งที่ดีก็คือคนดีคนมีปัญญาคนมีคุณธรรมเนี่ยทางธรรมะเขาเรียกสัตบุรุษหรือบางทีเขาเรียกบัณฑิตบ้างเรียกสัตบุรุษเรียกบัณฑิตเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกกัลยาณมิตรแต่บุคคลผู้สแสวงหาสมาธิไม่จําเป็นต้องรองให้สัตบุรุษหรึก บ, รรบัณฑิตมหาตนนะต้องกันข้ามเราต่างหากที่จะต้องขนขวาย ใ, ในการที่จะเข้าไปหากัลยาณมิตรอย่างนี้เป็นต้นนั้นกัลยาณมิตรในที่นี้ก็ท่านพูด ตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอาสาวกครูอาจารย์และท่านผู้เป็นพระหูสูตรทางด้านปัญญาสามารถที่จะสั่งสอนแนะนําพร่ำสอนเป็นต้นให้กับเราได้เป็นต้นเหล่านี้หรือตลอดถึงระบบ ก, การศึกษาอบรมที่มีการยาณมิตรในการที่จะบอกกล่าวแนะนําพร่ำสอนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นในพระสูตรบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นปุพานิชแม้ชั้นใด ความมีกาลยานามิตรก็เป็นตัวนําเป็นปุโปรนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอาสดางขีกมาร์คได้แก่ภิกษุฉันให้แก่ภิกษุชนนั้นบอกว่าภิกษุผู้มีกาลยานามิตรพึงหวังได้ว่าจักเจริญจกทําให้มากซึ่งอริยมาร์ควีองแปดดูก่อนอานน์ความมีกาลยานามิตรเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดเข้าใจคํานี้ไหมความมีกาลยานามิตรแต่เท่ากับเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว เข้าใจคำนี้ไหมฮะเข้าใจไหมบอมคำว่าพรหมจรรย์ทั้งหมดหมายคึอความว่าชีวิตที่ดีงามชีวิตที่จะประเสริฐทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจและท่าร้านปัญญาเนี่ยจะบริบูรณ์ทั้งสาระบบได้เนี่ยไม่ใช่กาลยานามิตรเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ส่วนหนึ่งโอ้ทําให้เราพฤติกรรมดีขึ้นไม่ใช่ทําให้เราจิตใจดีขึ้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตที่ดีงามชีวิตอันประเสริฐหรือชีวิตที่จะเข้าถึง การพ้นจากกิเลสและกองทุกได้เนี่ยกาลยานามิตรเป็นทั้งหมดไม่ใช่เป็นครึ่งเดียวหรือไม่ไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นหนึ่งในสามเป็นทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นตเต็มสรุปแล้วการอยู่เสพคุณกับกาลยานมิตรเป็นประโยชน์ตรงนี้อย่างเช่นพวกเรามีพระเจ้าเนี่ยเป็นกาลยานามิตรใช่ไหมที่พระเจ้าบอกว่าดูก่อนานนท์ผู้มีกาลยานามิตรคือมีพระเจ้าเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลที่ครอบหาสมาคมแล้วพึ่ง พึ่งหวังสิ่งนี้ได้คือเขาจักเจริญจักทําให้มากซึ่งการบริบูรณ์ด้วยอริยมรรคบีองแปรหรืออาริยอัสดางที่กมามะอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเหล่าสัตว์ผู้มีชาติธรรมดาก็พ้นจากชาติเข้าใจไหมชาติคือการเกิดเนี่ยเหล่าสัตว์ผู้มีชร า, าเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากชาลาคือความแก่เหล่าสัตว์ผู้มีความ เจ็บไข้เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเจ็บไข้เราสัตว์ผู้มีความมีวรณะคือความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากมรณะคือความตายเราสัตว์ผู้มีความโศกปริเทวะทุกขโทมนาสัอุปายาตเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าฉะนั้นพรหมจันทร์หรือความการครองชีวิตอันประเสริฐงดงามเนี่ย อาศัยกาลยานามิตรมีพระเจ้าเป็นต้นเนี่ยทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นเต็มไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งฉะนั้นการการมีกาลยานามิตรเนี่ยมันจึงมันจึงสมบูรณ์แบบนี้มันจึงมันจึงเลิศจึงประเสริฐแบบนี้นี่พ่อวังเหนนะ็นยญนะนะนี่นี่เป็นอย่างนี้นี่พระเจ้าก็ตรัสต่อว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุไทยอยู่ย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นปุพนิพก่อนแม้ชั้นใด ความมีกรลยานามิตรก็เป็นตัวนำเป็นปุปพานิมิตแห่งการเกิดขึ้นของพ่อชงเจตแก่ภิกษุฉันนั้นเหมือนกันภิกษุที่มีกรลยานามิตรเป็นตัวนำเป็นปุปพานิมิตภิกษุนั้นก็จะเจริญจกทำให้มากนะซึ่งพ่อชงเจตก็หมายความว่าปกติเนี่ยอน้มให้เาหน่อยปกติแล้วเนี่ย บุกเราเนี่ยจะไม่สามารถเจริญสติสัมโพชฌงคธรรมวิจิรยรสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงคปิติสัมโพชฌงปัจสถานสมาธิและเบิกขาสัมโพชฌงได้เลยแต่พอเราอาศัยกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเราก็จักเจริญจยากทำให้มากซึ่งโพชฌงคเจประการเนี่ยทให้โพชฌงคเจประการนั้นเจริญและว่าบริบูรณ์ในกระแสชีวิตพอโพชฌงคเจบริบูรณ์มรรคแก็บริบูรณ์เมืเ่อมรรคแบริบูกกบรณ์วิชาวิมุตติก็บริบูรณ์ใช่ไหม ความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ก็จะบริบูรณ์เป็นต้นได้บอมพอมองเห็นเห็นไมเออมั น, ม, นมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้ประเด็นก็เลยมาตรงกับพวกเราว่าเอ๊ะแล้วเราอะที่ที่ผ่านมาในชีวิตที่เรามาอยู่ในเพศนักบวชบอมบวชมาสี่ปีแล้วเนาะถามว่าในสี่ปีเนี่ยเรามีพระเจ้าเป็นกัลยาณมิตรตลอดเลยไหม มีไหมช่วงไหนมีพระเจ้าเป็นกัลยาณมิตรช่วงไหนไม่มีพระเจ้าเป็นกัลยาณมิตรอา้าวลองตอบหน่อยดีช่วงไหนมีอผ้าทำผ้าสองเป็นกัลยาณมิตรช่วงไหนไม่มีเราจะดูยังในขณะไหนของชีวิตที่มีกัลยาณมิตรขณะไหนของชีวิตที่ไม่มีกัลยาณมิตรเราจะสังเกตยังไงอา้าวบอมตอบครับสังเกตยังไงอื แล้วแฮม่ะช่วงไหนที่เรามีกระยาณนามิชช่วงไหนไม่มีกระยาณนามิตรฮะเอ๊ะเราก็มีผ้าเหลืองหม่มแล้วก็โค้นหัวห่ผมผ้าเหลืองเราก็อ่านเรียนธรรมะไปบินธบาดแล้วก็ฉันอาหารแล้วก็ทํากิจกรรมของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่เชื่อว่าเรามีพระเจ้าเป็นกัะยาณนามิชตลอดเวลาเลยชื่อไหม สรุปแล้ววันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเรามีพระเจ้าเป็นกัญยาณามิทให้กับเราเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงอ่าประมาณกี่ชั่วโมงได้ประมาณกี่ชั่วโมงได้หลักการจริงๆเลยนะเออเราจะรู้สึกจได้ยังไงว่าช่วงนี้เรามีกัญญาณมิทช่วงนี้ไม่มีกัญญาณมิทเราจะมีความรู้สึกยังไงเราจะสังเกตตัวเราเองได้ไหมหรือว่าไม่รู้เลย ว่าช่วงนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นกริยามิตรช่วงนี้ไม่มีช่วงนี้เรากำลังเสพคุณกับพระพุทธเจ้าช่วงนี้ไม่ได้เสพคุณช่วงนี้คบหาพระพุทธเจ้าช่วงนี้ไม่ได้คบหาหรือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไกลเกินไปจนเราไม่สามารถจะคบหาได้ได้เห็นแต่รูปได้เห็นแต่อะไรก็ไม่รู้ได้เห็นแต่หนังสือได้เห็นแต่โบทวิหารลานเจดีย์ได้เห็นแต่เนี่ยกุฏิวิหารได้เห็นแต่จีวรได้เห็นแก่บาตรแค่นั้นเองแต่เราไม่สามารถจะเสพคุ้นหรือเข้าหาคบหาสมาคมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยมันเป็นอย่างนนั้ไมม่ควาสก มันช่วงไหนของชีวิตที่เราได้คบหาพระพุทธเจ้าหรือมีพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรหรือหรือไม่มีเลยหรือมีอยู่ฮะมีช่วงไหนบอมตอบวอนนีตอนทํากุศลได้ตอนนั้นมีพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้ววันวันหนึ่งมันทํากุศลได้ช่วงไหนบ้างช่วงสวดมนนอกนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมน้อยมากเลย ก็แสดงว่าจริงๆแล้วอันนั้นในความความเห็นของเราใช่ไหมเอาบอกเนี่ยแรมช่วงไหนดูยไม่เป็นเลยในช่วงไหน อ๋อนายเขาบอกในช่วงที่สติปัญญาสมาที่ความเพียนสัทธาพิรุณทำกิจอยู่ช่วงนั้นนะชื่อว่ามีพุทธิยานเป็นระ ย, ยานามิตรอยู่ใช่ไหมช่วงนั้น ไม่มีพระเจ้าเป็นกัลยะาณมิตรงั้นแสดงว่าในชีวิตประจําวันของพวกเราระหว่างมีเราเสพคุณกับพระเจ้ากับไม่เสพคุณกับพระเจ้าเนี่ยอันไหนมากกว่ากันเนี่ย <c oughs> เป็นงั้นไหมเริ่มเริ่มมองเห็นงนีอยังเนี่ยเพราเอ๊ะจริงๆแล้วเราเราขนาดเรามาอยู่ในที่แบบนี้นะเรายังเข้าหาพระเจ้าได้ยากหรือเสพคุณกับพระเจ้าได้มากข้อหาพระเจ้าเข้อเฝ้าพระเจ้าได้ยากขนาดนี้เลย แล้วแล้วจะป่วยกล่าวไปยายถ้าเราทิ้งอัตภาพนี้แล้วไปอยู่อัตภาพอื่นคิดว่าเราจะเข้าเฝ้าได้ง่ายขึ้นไหมแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วความบริบูรณ์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยปุพานิมิตเนี่ยของอริยมรรคเนี่ยบอกว่ากัลยาณมิตรจะเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นทั้งหมดของของพรหมจาร์ที่เป็นทั้งหมดของชีวิตอันประเสริฐ ถ้าเราห่างจากพระพุทธเจ้าหรือไม่ไม่เสพคุทไม่คบหาพระพุทธเจ้าเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าถึงความเป็นผู้มีชีวิตอันประเสริฐเนี่ยหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมอันนี้ข้อแรกเลยนะเนี่ยข้อแรกของการคบหาสมาคมนี่ประเด็นมันอยู่ตรงว่างพระพุทธเจ้าบอกว่าเราบอกว่าภิกษุทั้งหลายบอกว่า เราไม่เห็นทำอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วเจริญหรือเสื่อมไปเหมือนการมีกัลยาณมิตรเลยเมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตรเสพคุ้นกับบุคคลที่กัลยาณมิตรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมอันอนี้เอาละแล้ว<อ>พระยามองให้สังเกตนะถ้าเวลาใดเราเสพคุ้นกับกัลยาณมิตรเวลานั้นกุศลธรรมมันจะเจริญ ศรัทธาจะเจริญความเพียรจะเจริญสติจะเจริญสมาธิปัญญาจะเจริญ น, น, นอาคุโสแลธรรมคือความไม่มีศรัทธาความเกียจคร้านความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัยจะเสื่อมให้สังเกตตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้ทีนี้ประเด็นต่อมาคือว่าเอ๊ะ ก, การพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าหายครบยากไหมครบได้ยากไหม เข้าถึงได้ยากไหยบอมพริพุทธเจ้าได้เข้าถึงได้ยากไหมเราจะเสพคุณของพระพุทธเจ้ายากหรือง่ายยากใช่ไหมวิธีการที่เน้นบอมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วงไหนเข้าเฝ้าได้และช่วงไหนเข้าเฝ้าไม่ได้ช่วงไปไหว้ต้นโพใช่ไหมช่วงนั้นเขาเข้เฝ้าได้ใช่ไหมและนอก เฮ้ยทีนี้ไปอยู่กับต้นโพกี่กี่นาทีวันหนึ่งประมาณชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ได้เสพคุณกับพระเจ้าชั่วโมงครึ่งอสมมติวันละชั่วโมงครึ่งโอ้โหแล้วแฮมคา้าพระเจ้าช่วงไหนที่เสพคุณพระเจ้าได้ได้มากที่สุดช่วงไหนแปลหนังสือใช่ไหมแล้วตอนนั้นตื่นแปลหนังสือไปมันมันได้ศรัทธาไหม ได้ศรัทธาไหมได้ความเพียรไหมได้สติไหมได้สมาธิไหมได้ปัญญาไหมได้รู้ได้เข้าใจอะไรเงี้ยด้วยนี่นจริงๆคือคือในขณะที่เราได้สิ่งพวกนี้อยู่ เราเคยคิดไหมว่าตอนนี้เรากำลังเฝ้าพรเจ้าอยู่นะเนี่ยเราขาดตรงนี้ยังไงถ้าเราคิดว่าการแปลหนังสือทุกครั้งคือการที่เรากำลังเข้าเฝ้าพรเจ้าและกำลังเสพคุณกับพรเจ้ากำลังฟังธรรมจากพุรเจ้าเหมือนเราฟังธรรมตอนนี้ ถ้าเราบอกว่านี่ยเรากำลังเข้าเฝ้าพระเจ้าเรากําลังฟังธรรมพระเจ้าโดยการผ่านผูดใดพูดหนึ่งที่เป็นผู้รู้ประธรรมของพระเจ้าเนี่ยกล่าวบอกเขาเราไม่สนใจแล้วแต่เราได้ฟังได้เข้าเฝ้าแล้วเรากําลังได้ศรัทธาได้ความเพียรได้สติได้สมาธิได้ปัญญานี้ตอนเนี้ยไอ้ตรงนี้ยคือพระเจ้าของเราเราจะเข้าเฝ้าเราจะเสกคุ้นเราจะสมาคมจะคจรอบหาอย่างต่อแล้วต่อเนื่องคิดแบบนี้มไหมบอมคิดแบบนี้ไหมบบนะต้องคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้มันจะได้ ที่ที่เราไปจํากัดไงไปจํากัดเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไงไปจํากัดแค่ต้องเดินไปต้นโพนี่ยุ่งแล้วนะแสดงว่าสถานที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีที่เดียวนะเวลาอยู่ในในห้องเราเฝ้าไม่ได้แล้วเราไปวิสาบัดแล้วก็เฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้กินอาหารก็เฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ซักผ้าก็เฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มานั่งเดินไปเดินมาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้กินนู้นกินนี้เฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้โอ้มันเยอะหมดเลยนะแล้ตรงแลเหลี๋ยวเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้คูเข้าเหยียดออกก็เฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช่ม กินดื่มเค้ขลิ้มเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้แถวเจ ร, รัสปัสสาวะก็เฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งก็เฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้นี่กิจกรรมของชีวิตนี่หมดไปกับเรื่องอื่นหมดเลยแปลว่าเราไม่สามารถเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ในกิจกรรมของชีวิตเลยนี่นี้คือปัญหานี่ปัญหาของชาวพุทธทั้งโลกเลยนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราเนะยถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บมันจะได้โปร่งว่าเราเป็นคนส่วนมากเป็นคนส่วนมากของประชากรของโลกใบนี้ที่ไม่สามารถมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร น, น, นะฮะ แต่ทีนี้เราอยากจะเป็นประชากรส่วนน้อยบ้างอะใช่ไหมอยากจะเป็นประชากรส่วนน้อยในการที่จะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเนี่ยเพราะอย่างนั้นมันก็เดือดร้อนใจที่กิเลสก็เพราะพุทธเจ้าบอกไงบอกว่าเราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นกุศลธรรมก็คือสัทธาวิดยาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะหรือ อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยเมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตรเสพคุณกัลยาณมิตรคบหากัลยาณมิตรสมาทานเข้าหากัลยาณมิตรอยู่กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป แ, แสดงให้เห็นชัดว่าเราไปสวดมนต์ที่ต้นโพตอนนั้นกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมใช่ไหม เวลามาอยู่ในห้องนอนอากุศลธรรมเจริญแต่กุศลธรรมเสื่อมเอ๊ะแง่แสดงว่าในห้องนอนที่เราป้องไม่ได้แล้วใช่ไหมเวลาไปบินธบาติอกุศลธรรมดันเจริญกุศลธรรมเสื่อมกินอาหารอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมมานั่งอยู่ตรงนี้อกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไอ้นี้แปลว่าเรากําลังคบหาปาปามิตรแน่นอนเขาพูดเจ้าบอกว่าเราไม่เร็งเห็นธรรมแม้อื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นที่บอกว่าที่จะเป็นประโยชน์บอกว่าเราไม่เร็งเห็นทำแม้สักอย่างที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่เป็นไปเพื่อความดำลงมั่นไม่เสื่อมสูนไม่อันตรทานอย่างสัตย์ธรรมเหมือนความมีกัลยาณมิตรวันนี้เนี่มีกัลยาณมิตรเนี่ยโดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอกเราไม่เร็งเห็นองค์ประกอบ อื่นแม้สักข้อหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความมีกัลยาณมิตรนี่เลยแล้วพวกภิกษุผู้เป็นเสกขะอย่างเราเราท่านทั้งหลายที่กําลังจะฝึกฝนพัฒนาด้วยนะยังไม่เป็นพระรหันถ้าปราถนาจา ก, กเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เห็นองค์ประกอบอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะมีประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรย่อมกำจัดอกุศลได้ย่อมบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นได้เอาล่าสิเนี่ยเ อ, อ้ยตรงนี้ก็เรามองเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดขาดข้อนี้นะเราขาดความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรภิกษุที่เป็นกัลยาณมิตรพึงหวังได้ก็คือหนึ่งจากเป็นผู้มีศีล สัมรวมระวังในปฏดิโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจระเป็นต้นถ้าเรามีกระยาณมิตรใช่ไหมกระยาณมิตรของเราก็ชักจูงให้เราดำเนินพฤติกรรมที่เป็นไปกระีนสัมรวมในปฏิโมกกับสังวรละสีแล้วก็ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจาระถึงพร้อม ด, ด้วยด้วยด้วยข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแม้แต่เล็กๆ น, น้อยๆก็สมรวมระวังว่เาเรามีกระยาณมิตรตักเตือนเราตลอดเวลา ใจแล้วก็น้อมไปในการฝึกหัดและขัดเกาตลอดเวลาเข้าใจไหมหนึ่งจะต้องบริบูรณ์ด้วยศีลพฤติกรรมเราดีแน่นอนด้านพฤติกรรมดีแล้วนะสองจะเป็นผู้ได้มีโอกาสสดับฟังได้สนทนาอย่างสะดวกสบายตามความปรารถนาโอ้นี่ข้อสองได้ด้วยได้ไ ด, ได้ได้สดับฟังเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรในเรื่องต่างๆที่ขัดเกาอุปนิสัยชาระจิตให้ปลอดโปร่ง เรื่องความเป็นผู้มักน้อยสันโดษปารบความเพียรไม่ละคนด้วยหมู่ใช่ไหมนเนี่ยนะแล้วก็ปารบในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุติในวิมุตติญาณทัศนธเป็นต้นเออเพราะเพราะการที่เราเรามีกัลยาณมิตรแล้วเราจรึงได้มีโอกาสฟังไงมีโอกาสได้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาได้มีโอกาสกเรียนรู้ไงใช่ไหมมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวต่างๆได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆเป็นเหตุแห่งการขาดขา ด, ดเกล้ใช่ไหม แล้วก็ฟังเรื่องมากน้อยสันโดษไม่ละคนได้หมู่ทั้งหลายฟังในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาได้รับการฝึกหัดขัดเกลา ย, ยิ่งขึ้นไปนี่เราต้องได้แ น, น่นอนเนี่ยไม่ได้แล้วหนึ่งหนึ่งก็คือได้ปฏิบัติตามศีลสองได้ฟังข้อควาเป็นผู้มีกมัลยาณมิตรระสามอากเป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรความเพียรเพื่อกำจัดอกุศลและความเพียรเพื่อบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม อยากเป็นผู้เข้มแข็งด้วยนะบางทีท่านใช้คําว่าแข็งขันก็ไนดะ้แข็งขันบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุราในกุศลธรรมทั้งหลายเข้าใจคําว่าไม่ทอดทุราในกุศลไหมคืออย่างนี้พอจะทําความดีแล้วไม่หยุดเนะี่ยไม่หยุดอยู่แค่นั้นเนะี่ยมันบากบาั่น ทนาเรื่อยๆไม่ใช่เอาละโอ้วันนี้เราสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งแล้วพอแล้วแล้วหยุดเลยเงี่ยก็เรียกว่ามันทอดทุระเราไปตั้งใจจริงเลยนะไอตอนชั่วโมงหนึ่งสวดจริงๆเลยแต่พอเดินออกจากตรงนั้นหมดแป๊กเคยเป็นไหมเป็นแค่เนี้ยคล้ายๆมันหมดทาระาเราแล้วเคยเป็นไหมบอมเป็นแบบนี้ไหมคือพอเดินหลุดออกมาจากตรงนั้นก็แปลว่าสบายแล้วเรา นี่ก็แบทอดทุรลจริงๆกุศลเนี่ยเขาต้องให้ทำติดต่อหรือไม่ติดต่อติดต่อไม่ใช่เดินออกจากตรงนั้นแล้วกุศลก็หายอากุศลก็แทรกไม่ใช่เขาต้องเดินกุศลตลอดเวลาทำได้ไหมถามว่ามันเป็นความลำบากมันความกัดกรุ่มใจไหมถ้าเราจะเจริญกุศลได้ตลอดเวลาเนี่ยกลุ้มไหมบมํารุมไหมในความรู้สึกจริงๆเลยอะ่ะมันมันรู้สึก จริงๆล้าทำไม่ไหวเลยใช่ไหมเป็นไงไหมทำไม่ได้อะไรเป็นเหตุทำไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยใช่ไหมทำไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวลองหาเดี๋ยวบมสาเหตุที่ทำไม่ได้กพราะรแป๊บเดียวก็หลุดอ่ะอะไรอะไรอะไรทำไม่หลุดอันนี้เรามาถกกันจริงๆนะเออเออเออ เอออ้าวมันมันยากในขณะที่เราไปทําตอนต้นโพได้ไหมตอนนั้นนะได้ไหมสภาพกุศลได้ไม่ได้ ไ, ได้ ไ, ดไม่ได้ตลอดได้เพราะอะไรเครสังเกตไหมได้เพราะอะไรตรงนั้นอันนี้ถามถามทัศนะของเนนบอมก่อนนะที่ได้เพราะอะไรตรงนั้น แล้วอะทําไมมันถึงทําไมถึงไม่มันไม่ได้ต่อเนื่องในที่ความเข้าใจของเราเลยมันทําไม่ได้มันอื่นอัดหรือเปล่าเวลามันเดินกุศลแล้วมันมันได้แค่นี้พอแล้วเราเราเราเราพออย่างนู้นเราไปกราบพระตอนนั้นเอาตั้งใจหน่อยพอตั้งตั้งใจสักพักหนึ่งรู้สึกเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้อ่ะ ชีวิตมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันจะให้กุศลเกิดต่อเนื่องไม่ได้รู้สึกมันมันเป็นความอึดอัดคับข้องขึ้นมาทันทีแล้แล้วขอพักจากกุศลหน่อยให้ไปอยู่อย่างธรรมดาของเราดีกว่าเคยเคยมีความสึกอย่างนี้ไหมเพราะอยู่ธรรมดาของเรามันโปร่งมันโล่งกว่าแต่เวลาไปทํากุศลแล้วรู้สึกมันจะต้องอืมันมีอะไรเยอะแยะหมดมันจะต้องตั้งท่าตั้งทางมันจะต้องคิดนู้นคิดนี้มันรู้สึกเป็นความอึดอัดคับข้องเป็นไหมเป็นอะเป็นไหมเงี้ยอ้าวละไรตัวเนี้ยเป็นไหม เป็นแบบนี้ไหมคือถ้าจเจริญกุศลแปลว่ามันผิดปกติชีวิตเราแต่ถ้าอยู่กับอกุศลแปลว่ามันเป็นปกติในชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้ไหมมันมันเป็นใช่ไหมโอเคถ้าเป็นกรณีแบบนี้แปลว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้เสพคุนกับกลยานามิตรในชีวิตจริงๆของเราเรากลับไปเสพคุณชั่วระยะชั่วเวลาเท่านั้นเองอันนี้เป็นปัญหาเลยนะ ซึ่งซึ่งอาจารย์เข้าใจนะสมัยก่อนอาจารย์เป็นแบบนี้อาจารย์ก็เป็นนะไอ้แบบเนี้ย อ, อาจารย์ถึงต้องใช้กิจกรรมตลอดเวลาเป็นตัวกระตุน้นเช่นกิจกรรมทําวัดกิจกรรมเข้าห้องเรียนกิจกรรมไปบิณฑบาตกิจกรรมในการกวาดวิหารลานเจดีย์กิจกรรมอทั้งหลายแล้วเป็นตัวดึงตัวเองไม่ยอมอยู่เฉยเพราะถ้าไม่มีกิจกรรมอย่างนี้ตนเองจะตกจากกุศล ก็เลยเอาตัวกิจกรรมเอารูปแบบเอาแบบแผนไปโดนดึงกระชากกระชากแล้วมั้งเข้าใจะยังอายังไม่ไม่ยอมอยู่กับบาปมันหรอมันได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ยังดีมันยังมีรูปแบบให้ทําอยู่เข้าใจยังมันยังมีห้องเรียนในทำไปท่องหนังสือไปอ่านหนังสือไปสาธยายเอาแล้ววะกิเลสมันก็ไม่อยากให้ท่องแต่ฉันจะท่องฉันจะสู้มันอะไรอย่เงี้ยนะแต่ก่อนทําแบบนี้ ทีนี้เอาแหละทีนี้พอพอเราทีนี้มันก็เลยแบ่งภาคกันภาคพักก็คือการอยู่กับอกุศลกับภาคที่ไม่พักก็คือการไปอยู่กับอกุศลเราคิดอย่างนั้นเนี่ยยิงไม่ยิงเราอยากปล่อยเรื่อยๆเอื่อยๆไปเนี่ยอันนี้แปลว่ารู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเป็นตัวมันเป็นเราอะแต่ถ้าหากมันจะทำดีขึ้นมาปุบ๊บมันไม่ใช่เรา ใช่ไหมเอาวิธีคิดทำไงต่อนิฝากให้คิดว่าเราจะเราจะมีพระเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของเราไหมถามตัวเรเองบ่อยๆเราจะมีพระเจ้าเป็นกัลยาณมิตรไหมเราจะเสพจะสมาคมคบหาพระเจ้าหรือเราจะคบป่าพมิตรอ้าวเลยนี่ถ้าเราไปอยู่กับใครไปอยู่กับใคร เปอยู่กับสิ่งแวดล้อมใดแล้วคนคนนั้นก็ดีสิ่งแวดล้อมนั้นก็ดีมันเป็นปัจจัยเอื้อต่อการทำให้เรา ไ, ได้บาปไม่ได้กุศลคืออกุศลมันจเจริญกุศลมันเสื่อมนั้นแปลว่าเรากำลังเสพอะไรปาปะมิตรต่อให้ไปนั่งบนต้นโพไปว่าต้นโพอยู่ต้นโพก็เลยกลายเป็นแท้ที่จริงท่านเป็นกัลยาณมิตรั่แหละ แต่เราขาดโยนิโมสมนัิการภายในแทนที่จะได้ประโยชน์จากการอยู่กับต้นโผเราลองคิดทีเนี่เนี่ยวัดเนี่ยอิฐทุกก้อนเนี่ยเขาทําได้ศรัทธานะเนี่ยของที่ใช้ทั้งหมดเหล่าเนี้ยมันเกิดขึ้นจากศรัท ธ, ธาเขาหมู่มหาชนเขาเนะี่ยเขาทําได้กุศลแต่แท้เนี่ยไอ้ดินหอิฐหินดินปูนตั้งหลายเหล่านเนี้ยทุกชิ้นส่วนเนี่ยเขา ทั้งจบทั้งนอบน้อมทั้งอะไรต่างๆแล้วเรามาใช้สอยเนี่ยแล้วก็เราแทนที่เราจะได้ใกล้พระเจ้าใช่ไหมแล้วโอกาสคิดถึงพระเจ้าได้ดีที่สุดด้วยมองไปไหนก็พระไตรปิฎกมองไปที่ไหนก็พัดลมเขาถวายเนี่ยให้เนี่ยเสยนาสนะทั้งหลายเราเนี่ยเขาน้อมยกแล้วยกอีกถวายเนี่ยที่อยู่อาศัยเครื่องนห่มทั้งหลายเนี้ยมันเอื้อต่อต่อการที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ดีที่สุดนะถ้าเราแค่คิดว่าเนี่ย โอ้เขามีศรัทธาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้ะโอ้ยเราได้พระเจ้าเกื้อกูลเราพระเจ้าให้เราได้มีอาสนะได้ใช้สอยเราจะอาศัยอาสนะนี้จเจริญกุศลนาะเนี่ยสมมติคิดเนี้ยนะไม่ได้ต้องคิดยากอะไรเลยนะแค่นี้ง่ายๆเนี่ยนะโอยภาชนะคือจานนี่นะเขาน้อมถวายพระเจ้านะ้อเราจะอาศัยภาชนะเนี้ในการในการทํากิจของเราในการทําร่างกายให้อิ่มน้ำซ้ำลานและเราจะได้ปารบในการจเจริญกุศลนาะสมมุติเนี่ยนะ พื้นที่ที่เราเหยียบเอยสภาพหมที่เราใช้ทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่เขาจบแล้วจบอีกใช่ไหมมันมันเอื้อต่อการเจริญกุศลทุกชิ้นส่วนเลยไหมที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเอื้อหมดเลยไหมเอื้อหมดเลยสิ่งแวดล้อมสภาพแบบนี้มันเอื้อจริงๆเลยนะจริงๆแล้วแต่มันขาดอยู่ตัวเดียวคิดผิด <laughs> ทั้งๆ ท, ที่กลยานมิตรอยู่รอบตัวเราเแต่เรามึนซะนี่ไม่รู้เรื่องซะนี่ ว่างั้นเดนนั่งเกอะแกเกาะแกนอนอย่างนี้นะเราก็เราก็ไม่ได้กุศลเลยเระเช้าพูดถึงในเรื่องของความสำคัญของกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าเป็นกรัลรยาณมิตรใช่ไหพูดถึงเมื่อเช้านี่แล้วก็พูดถึงในเรื่องว่าถ้าบุคคลที่ปรารถนาจะบรรลุธรรมเนี่ย กัญยาณมิตรมีความสำคัญมากมีความสำคัญแล้วบอกว่าเมื่อภิกษุที่มีกัญยาณมิตรก็จะหวังได้ความหวังของบุคคลที่เข้าไปหากัญยาณมิตรความหวังก็สี่ประการใช่ไหมหนึ่งจกเป็นผู้มีศีลสำรวมในพระปฏิมโมกข์แล้วก็สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรทอ่อาจาระกับโคจาระนี่เหมือนกันหรือต่างกันยังไง อาจาระนี่หมายถึงอะไรอาจาระหมายถึ ง, งอาจาระหมายถึงเลยรอ้ยอาจาระโคจาระสัมปันโนถึงพร้อมในอาจาระและโคจาระอาจาระเป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะอาจารย์เป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่ดำเนินไปตามศีลที่เป็นนอกพระปาทิโมก โครจรก็คือการเลี้ยงชีพสถานที่เที่ยวไปทั้งหลายเหล่านี้ก็ดำเนินไปตามข้อข้อปฏิบฏัติที่พระเจ้าทรงทร ง, งสอนว่าบุคคลที่ถึงพร้อมด้อาจารละและโคจระก็คือสมบูรณ์ด้วยข้อวัดต่างๆนะข้อปฏิบัติต่างๆจากเป็นผู้ได้โอกาสส ด, ดับฟังพระธรรม ตามความปรารถนาในเรื่องต่างๆเป็นการขัดเก่านิสัยทำจิตให้ปลอดโปรง่งแล้วก็ได้ได้สนทนาเรื่องมักน้อยสันโดษไม่ละคนด้วยหมู่บารบความเพียรแล้วก็ได้ฝึกตัวเองในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุติยานัทสนะเป็นต้นเนี่ยนยประการที่สามก็คือจักเป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรเพื่อกำจัดอกุศลและเพื่อบำเพ็ญกุศล ให้เพียบพร้อมจกเป็นผู้แข็งขันบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุลาในกุศลธรรมได้พูดไปแล้ววันเช้านี้ครับว่าไม่ทอดุลาหมายถึงอะไรบุคคลบางคนเป็นคนที่หยุดหยุดอยู่ไม่ไม่บุกฝ่าในการเริญกุศลได้แค่นี้พอแล้วย่างที่บอกว่าวันนี้ได้ไปสวดมนต์ไหว้พระพอแล้วแค่นั้นไปไหว้ตนภาษีมาโผเอาแค่นั่นแหละไม่ยอม พัฒนาขึ้นไปมากกว่านั้นหรือยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะบางทีก็เจริญกุศลเป็นตอนตอนเข้าใจคำว่าตอนตอนไหมภาษาภาษาอีสานเนี่ยเป็นช่วงช่วงเช่นห้านาทีนี้สวดมนต์หลังนั้นก็ทิ้งส่งดูหนังสือก็ทิ้งส่งเนี่ยนะเวลาเราจะนอนเนี่ยสมมติเวลาเราจะไปนอนหลับเนี่ย เราได้คิดว่าเรากำลังจริญกุศลไหมไม่คิดเลยใช่ไหมเนี่ยนอนแบบปล่อยสติถ้าคนที่เขานอนประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยเขาจะตั้งมนัสสการว่าเราจะต้องพักในช่วงเวลานี้เมื่อแม้มีสติสมชัญญาในการพักแล้วมนัสสการว่าตื่นขึ้นจะเดินกุศลต่อทันทีได้คิดอย่างนี้ไหมล่ะเขาคิดแบบนี้ไว้ ตื่นขึ้นจะต้องเดินกุศลต่อันดีแม้ในเวลาพักก็เชื่อว่าเป็นการเจริญกุศลด้วยบางคนนอนโอ้โหแบบประเภทที่นอนแบบหมดอะไรตายอยากมอนแบบประเภทที่หมดสภาพอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ได้วางสติสมชัญ้าได้เหมือนถ้าเนรบอรมก็นั่งนั่งกระทุกใจอยู่ในอะไรเนะมันหาววัดวั ด, ว ด, วดเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเอ๊ะทไมทำไม ทำไมสภาพใจเราไม่ไม่ไม่เดินกุศลได้ในช่วงนั้นใ น, นขณะที่เราทํากิจกรรมทั้งหลายเลยเพราะอะไรก็เพราะเราคิดว่าช่วงนี้เจริญกุศลช่วงนี้ไม่เจริญกุศลและเรามีความคิดว่าถ้าเราจะเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความอึดอัดขับค้องแล้วรู้สึกเราตายแน่ๆเคยคิดเงยเคยคิดถึงขนาดนั้นไหมเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถเดินจิตให้เป็นกุศลได้อย่างต่อเนื่องเราไม่เชื่อ เราเราเราคิดอย่างนั้นไหมคิดไหมว่ามีไ้มคนที่พยายามเพียรพยายามที่เดินกุศลได้ทุกขั้นตอนเขามีอยู่ไหมมีใช่ไหมเราเคยคิดไหมว่าในขณะที่เรากําลังนอนกําลังเล่นกําลังอะแต่คนเขากําลังบรรลุกันมีอยู่คิดไหมมีคนที่เขากำลังบรรลุอยู่ในขณะที่เรานั่งฮะจริงๆ ร, งรงิมีไหมอ่ะจริงจรงมันมีนะ เทวดาที่กำลังฟังธรรมแต่ละชั้นจ่าตุมหาราชิกาเตาวทิงสายามาดุสตานิมาดลดลีปรณิมิสวาสวัสดีเนี่ยหรือพรหมเนี่ยที่เขามีสมาธิฐิมีกัลยาณมิตรที่เขาเคยเขามีในเทวดาบางชั้นเนี่ยเขาคิ ด, ดว่พดาพระเจ้าเพิ่งปริญพานเมื่อนาทีที่แล้วเองเมื่อนาทีที่แล้วนี่เองพระเจ้าเพิ่งจากเข้าไปเพราะว่าบนนั้นเขานเมันมันมันมั น, ม, นมันช้ามาก เขาเพียงโอ้โหพระเจ้าเพิ่งปรินิพานไปเมื่อวันที่แล้วเนี่นยเพราะว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ยเหมือนกับประมาณเป็นเป็นหลายพันปีของโลกมนุษย์ใช่ไหมล่ะโอ้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองพระเจ้าเพิ่งปรินิพานนั่น ก, ก็ปาราลบความเพียรแล้วเขาก็ฟังทำกันแล้วก็บรรลุฉะนั้นในขณะที่เรากําลังเกกมาเลกมัวเมามลุ่มหลงเนี่ยแต่คนที่เขากาลังฟังทำแล้วบรรลุกันมีปฏิบัติทำแล้วบรรลุมีแม้ในโลกมนุษย์เนี่ย บุคคลที่ขวนขวาย ใ, ในการประพฤติปฏิบัติถ้าที่เขาพยายามเร่งเคร่งครัดปฏิบัติเขาอยากมารล้กันวันนี้วันนี้มีไม่น้อยแต่เราไม่เคยเคยคิดว่ามีกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้อยู่ เขาขวนขวายตลอดเวลาเขาพยายามเจริญกุศลกําหนดกรรมฐานกําหนดอะไรทั้งหลายเขาคิดว่านาทีข้างหน้าเขาต้องบรรลุนาทีข้างหน้าก็ต้องบรรลุชั่วโมงหน้าต้องบรรลุบางคนคิดว่าเนี่ยในภรษานี้ก็จะต้องบรรลุออกภรษาก็ต้องบรรลุให้ได้เดือนนี้ก็ต้องบรรลุให้ได้ปีนี้บรรลุให้ได้เขามีคิดหรือในชีวิตนี้เขาต้องบรรลุให้ได้มันมีคนคิดอย่างนี้อยู่ซึ่งนับไม่ได้มีเยอะมากแต่มันไม่ใช่เราเท่านั้นเองเนี่ย แต่กรณีแบบเนี้ยต้องการปกจิตสํานียให้พวกเราคิดว่ามีคนกลุ่มนี้อยู่จริงๆและมากแล้วเชื่อไหมตอนนี้เขากําลังบรรลุมีจริงๆด้วยเนี่ยในขณะที่กําลังคุยอยู่มีคนบรรลุมีอยู่จริงด้วยแต่เราไม่เห็นแต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่เราไม่เห็นมันจะไม่มีมันมีจริงๆเนี่ยนะวันนี้เขาสาทุกันในสวนรรค์แต่ละชั้นเนี่ยที่เขาได้เป็นพระโสดาบันสกาทานะคะหรือบางท่านได้บรรลุเป็นพระอริยเป็นพระอรหันต์ใช่ไหม ในพรมศรทธาวาสเนี่ยพระนาคาเต็มไปหมดคิดหรือว่าเขาจะอยู่กันเฉยๆไม่มีทางพรมพรมนาคาเนี่ยเขาต้องข้นขวายเป็นพระละหันและพระละหันก็อยู่เป็นไปได้ไหมว่าเขาบางทีเขาอยากที่ผ่านทันทีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเขาข้นขวายกันที่จะทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่เขาจะไม่ติดใจในการมาคุณติดใจในรู ป, ปรภูมิมารู ป, ปรภูมิโลกุตตะรปุรู ป, ปรภูมิมารู ป, ปรภูมิเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเครื่องข้องของเขาเลยเพราะเขาตัดสั่งย์ได้ แล้วก็ไม่ติดข้องในกขันในธาตุอายตนะเขาข้นขวายในการจะทํากิเลสให้หมดจริงๆเงี้นันมีอยู่นี่คือชนกลุ่มนี้ก็มีกันอยู่แต่เพียงว่าเราเนี่ยมันความรู้เรามันเราเอากลาครอบเขาไว้แค่นั้นเองแล้วก็วนวนวนอยู่ในเนี้ยเราก็เลยไม่เปิดกะลาออกใช่ไหมถ้าเราเปิดตออกตีเราจะเห็นว่าโอ้โลกบนใบนี้ยคนนี่ยังคนขวายมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันคนที่กําลังตกนรกก็มีจริงจริงนะเช่นกําลัง กำลังจะตายเลยตอนนี้แล้วตกนรกกําลังเป็นสัตวน์นรกพุบขึ้นมาก็มีเป็นเปรตก็มีเป็นอสุรกายก็มีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเห็นไห ม, ไหมนี่มีอยู่แล้วกําลังเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเกิดเป็นเทวดาก็มีอย่างั้นเถอะแล้วกําลังตายตายจากมนุษย์เป็นเทวดาจากเทวดาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะมันกําลังสลับ ข, ข, ข้าวกันอยู่และคนกําลังบรรลุก็มีคนที่กําลังทําชั่วก็มี มันจะมีสลับเนี่ยคนที่กิเลสเกิดราคะโทสะโมหะเกิดก็มีคนที่กําลังกําจัดราคะโทสะโมหะก็มีคนที่กํก า, า, า, ากกลังทําลายกุศลก็มีทําลายอกุศลก็มีเนี่ยมันจะคลาดเข้ า, ขากันมันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นชนกลุ่มไหน เ, เราจะเลือกเป็นชนกลุ่มไหนพอมองเห็นนีอย่างตอนนี้โลกใบนี้ยจริงๆแล้วมันมันมันมีหลากหลายซึ่งเราไม่รู้เข้าใจยัง <S <S นี่เราก็เลือกเอาะพอเรารู้อย่างนี้เป็ดเสร็จเราจะเป็นเลือกเป็นคนกลุ่มไหน เาจะเลือกเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้นะขยันหัวมันตกนรกเรื่องมันขึ้นสวรรค์ก็เรื่องมันบรรลุธรรมก็ช่างมันไม่บรรลุธรรมก็ช่างมันกิเลสเกิดก็ช่างมันทํลาละกิเลสได้ก็ช่างมันกูไม่สนกูจะหลับ ม, มีไหมมนุษย์กลุ่มนี้มีไหมมีอยู่ใช่ไหมใช่เราไหมใช่ไหมไอ้ตรงนี้เรามองเห็นนะว่าจริงๆมันมีคนกลุ่มนี้อยู่เนี่ย แต่ถ้าในการที่เราได้คบกัลยาณมิตรกัลยานมิตรก็ยังใหก้กระตุ้นเตือนว่าประการที่สามว่าจากเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะ์ยังถึงความเกิดความดับชำระกิเลสนำไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้เนี่ยมันสำคัญข้อสุดท้ายนี่แหละถ้าเราได้ครบพระเจ้าคบกัลยาณมิตรเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะความเป็นกัลยาณมิตรเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อบรรลุทิฏฐธรรมะ นการครอบคนชั่วก็เป็นอบาัยามุกการครอบมิตรหรือปฏิปถูกต่อต่อมิตรก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องดีงามพี่ต้นในแม้ในที่ถกท่านก็สอนในหลักการการคอบมิตรเขาไว้เนี่หลักการไม่คบคนบาลาเลยก็ว่าไปท่นนี้คุณนะสมบัติของของกัลยาณนะมิตรนี่จะไม่ค่อยเจาะเข้าไปดูในรายละเอียดจริงๆถ้าเราพูดถึงตรงนี้มันเยอะนะเช่น ธรรมัญญาตาอัฏฐัญญาตาอัตฐัญญุตามัตฐัญญุตากาลัญญุตาเนี่ยนะปริสันยุตาภนะุกรา ป, ปรัญยุตาเป็นต้นเหล่าเนี้ยหลักการตรงนี้ถ้าอธิบายก็เป็นเรื่องยาวว่าก็จริงๆก็คือใ น, นคุณคุณสมบัติของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นต้นด้วยของกาลยานามิตรด้วยนี่พูดให้เห็นความสําคัญของความเป็นผู้มีกาลยานามิตรเนาะปิโยครุภาวนิโย ว, วัตาชวัชนัคโมในคัมภีร์การจาร ก, กระทังกตาโนจัตถานเนจานิโยเชยเนี่ยนี่ก็หลักการของกาลยานมิตร อันนี้ก็คือถ้าเราต้องการอยากจะรู้ว่าเ อ, อกัลยาณมิตรมีคุณสมบัติอย่างไรลักษณะพิเศษของเขาเป็นยังไงของท่านเป็นยังไงเช่นปีโยน่ารักเนี่ยน่ารักหมายถึงเข้าถึงจิตใจสร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวนให้เราอยากจะเข้าไปปรึกษาแต่ถามเป็นไหมตรงนี้เคยเคยเจอใครแบบนี้ไหมอยากจะสอบถามเยา่องอะไรนี่ไหม วิการที่สองครูก็คือมีความประพฤติสมควรแก่ฐานนะอบอุ่นใจให้ความปล่อยไป mm hmm. พยเพราณียโญก็เป็นคนที่มีความรู้จริงทรงภูมิปัญญาทั้งหลายฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอนี่เราสามารถมาฝึกตัวเองได้นะสามารถจะเป็นกัญญาณมิตรให้กับเพื่อนๆได้วัตตาก็รู้จักพูดให้ได้ผลพูดเป็นน่ยชี้แจงให้เข้าใจเราเป็นคนมีคําว่าวัตตาไหมเวลาจะอธิบายอะไรให้ใครฟังแล้วก็อธิบายได้ ได้ชัดเนะี่ยมีไหมไม่มีข้อ น, นี้เลยมีไหมเป็นคนพูดให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายหรือได้ยากยา ก, ยากไม่มีคนถบัดก้อนนี้เป็นคนพูดรู้เรื่องได้ง่ายหรือรู้เรื่องยากยากคือวตาไม่มีเลยก็คื อ, คอรู้จักชี้แจงให้เข้าใจเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้เป็นไหม ใครทุกข์ใจก็มาปรึกษาเราแล้วรู้สึกเราให้คําปรึกษาเขาได้มีมี ม, ม, มีมีเรื่องนี้ไหมสมมติว่าพ่อแม่ก็ทุกข์ใจก็โทรมาหาสามเนรยมทุกข์ใจเรื่องนี้ <c oughs> เราให้คําปรึกษาพ่อแม่แว่าไงคิดอะไรมีไหมเมื่อกี้เราก็บอกโอ้อยมทุกข์ใจเรื่องอะไรอืมอือืมอ้าวเขาเล่ามาเขาล่ามาพยายมก็เล่าเลาอ๋อทําอย่างนี้ที่ยมทยางนี้เป็นไห ม, มเรื่องนี้มีคําว่าวตาไหม ไม่มีสมบา ม, มีไหมไม่บวดมาตั้ง 6-4 ปีไม่มีเลยมีมีแม่แม่ปรึกษาบ้างไหมพ่อพี่ก็ไม่เคยโอ้โหวันจะนะขโมอ่ะเป็นคนทนต่อถ้อยคำไหมคือสามารถที่จะรับฟังปัญหาที่จุกจิกโดยไม่ลำคาญทำได้ไหมได้ไหม เขามีไม่ข้อเนี้ยคือถ้าใครเขาแบบประเภทจุกจิกจู้จี้ประเภทที่พูดจาพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ําพูดซากแ ล, ล้ยลาคาญไหมถามยิง่งเนี่ยอันนี้ไม่มีคา ว, ว่าวัจน่าขโมคือลักษากรรยานมิตรต้องต้อ ง, ต, องต้องมีข้อนี้คือต้องไม่ไม่ลาคาญไม่แสดงอาการขี้เบื่ อ, อ, อมากนะ หรือคำร่วงเกินน่ะเขาด่าแล้วเอาคําร่วงเกินเวลาเขาชมเราเนี่ยมันรู้สึกจิตใจหวันหวหหว่นไหวไหมหวั่นไหวไหมรู้สึกดีถ้าเขาด่าเ ห, เห็นไหมเนี่ยจริงๆตรงนี้ต้องฝึกต้องฝึกด้วยนะต้องฝึกว่าเออเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาสักถามแม้จุกจิกด้วยตลอดถึงคําร่วงเกินและคํา คำตักเตือนแหละทนฟังได้ไหมเตือนหนักๆอ่ะเองนี่ห่วยแตกหรือเปล่าเขาเขพูดอย่างเงี้ยห่วยแตกใช่ไม่ได้เงี้ยฟังคําแบบนี้แล้วรู้สึกยอมรับได้ไหมว่าเออเรามาวีข้อบอกพวก่อตรงไหนตรงไหนเนี่ยได้ไหมชอบคําชมหรือคํำตาหนิชอบแบบไหนไม่ชอบยังเพราะอะไรตรงนี้ต้องฝึกนะเนี่ย ไม่เบื่อนายแล้วก็ไม่เสียอารมณ์ต้องฝึกต้องฝึกให้ได้ตรงนี้การฝึกตรงนี้ก็คือฝึกให้มีคุณสมบัติของการเป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนหรือว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกอะไรก็แล้วแต่นี่นะนี่ๆต้องฝึกเหตุผลที่ต้องฝึกก็คือเป็นคนที่แยกแยะฝึกในการที่จะใช้ปัญญาในการแยกแยะอยาให้ตนเองไปอยู่กับคาสรรเสริญเยือนยอต้องเป็นคนที่ฝึกตนเองไม่หวั่นไหวแต่ไม่ใช่ไม่สนใจนะ ถ้าเจอคำตำหนิกับคําชมเนี่ยสังเกตดูที่ประโยชน์จริงๆกับกลายเป็นคำจริงนะเอาประโยชน์จากมาใได้ตรงนั้นนะอย่ากลายเป็นคนที่ฟังอะไรแล้วก็แล่นไปตามความรู้สึกนั้นนี่ส่วนคมภีร์ังจา ก, กระถังกรตาเนี่ยก็จะแถลงเรื่องที่ล้าลึกได้ก็คือกล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้เข้าใจได้เออตรงนี้ ถ้าเรื่องที่มันยากเนี่ยเรื่องที่ยากที่สุดเนี่ยเราพูดให้มันเข้าใจง่ายได้ไหมได้ไหมเรื่องยากที่สุดเนี่ยเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเรื่องขันอิยตนาท่าสัจญาอินทรีย์ปฏิจจาเยเนี่ยนะที่มันลึกซึ้งเหลือเกินเนี่ยสามารถเอาแถลงให้มันง่ายได้เข้าใจง่ายได้จนสามารถที่นํามาประพฤติปฏิบัติได้จริงไอ้กรณีแบบเนี้ยมีไหมมีมุมนี้ไหม เอาบอมเรียนเรื่องปฏิจจารมัยเรียนมาแล้วใช่ไหมแล้วสามารถพูดให้ห้มันก็เข้าใจแบบง่ายๆได้ไหมได้ไหมเอออย่างนี้ไม่มีคําว่าคำพิรันจกักถ้ามีถ้ามีเรื่องนี้ปุ๊บมันสามารถเอามาถแถลงให้เขาเข้าใจได้ใช่ไหมทีนี้เราทําความเข้าใจเองได้ไหมยอย่างยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องธาตุเนี่ย พอพูดถึงในเรื่องของปฏิจจะโอ๊ยร้อนเลยอะไรโอโ้อากาศนี้ร้อนอีเอูเรื่องเรื่องไอเรื่องขันเนี่ยเรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องธาตุธรรมะขันห้าอายตนะธาตุสัจจะปฏิจจะเนี่ยจริงๆเรื่องเดียวกันไว้ปฏิจจสมบัติกับขันห้าต่างกันตรงไหนอาจาถามตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้ปฏิจจสมบาตกับขันห้าต่างกันยังไง เป็นยังไงวิญญาณนามรูปสรายตนาภาษาเวทนาใช่ไหเป็นกลุ่มนี้ใช่ไหมเออเป็นกลุ่มกันนะแล้วปฏิสบารนี่กล่าวถึงในเรื่องอะไรบ้างความเป็นไปของชีวิตที่เป็นวงจรทุกขนาดจิตหรือว่าเป็นไปในชีวิตของของวัตตาที่กว้า ง, างเป็นยังไง หลวงกว้างๆเห็นไหมนี่จริงๆจริงๆตรงเนี้ยปฏิจจสุบัทเนี่ยมันเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นวงจรของกระแสชีวิตทุกขนาจิตด้วยนะถ้ากล่าวทุกขนาจิตก็เป็นปฏิจจะได้ถ้ากล่าวแม้ขนาดการเห็นการได้ยินทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นปฏิจจะได้แม้จะกล่าวในวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัฏก็เป็นปฏิจจสุบัติได้ข้าจะแบ่ง่งห้ มันสามารถจะกล่าวและจะจะกล่าวมุมไหนด้วยนะปฏิจจ์แม้ความเป็นไปของโลกของชีวิตของสังคมก็เป็นปฏิจจสมบัติได้เงี่ยเพราะจริงๆก็คือพูดเรื่องเหตุและผลทีนี้จะพูดถึงกรรมและผลของกรรมนี่เป็นปฏิจจ์ไหม เ, เห็นไหมเป็นปฏิจจ์อีกพูดถึงกรรมและผลของกรรมนี่ก็เป็นปฏิจจสมบัตินี่แต่ว่าพูดในแง่กรรมเรื่องผลของกรรมไงเพราะ อ, องค์ปฏิจจสมบาตมันได้ตั้งแต่อวิชชา ตัณหาอุปาทานสังขารลกรรมนี่เป็นเหตุใช่ไหมวิญญาณนามรูปสรายเนาภาษาเวทนานี่เป็นผลเนี่ยคือคือในชีวิตจริงๆเราสามารถที่จะกล่าวเรื่องลึกซึ้งเป็นต้นนี้ได้แล้วก็ไม่ชักนําในทางที่เป็นอัถานนะไม่ชักจูงในทางที่เสียในนี้หมายความว่าชักจูงให้นําพาบุคคลที่เกี่ยวข้องไปในมัชิมาปฏิปทาเปด้วยเลเ อ, อันนี้พูดในเรื่องกาลยานมิตรตาอันนี้จับประเด็นได้แล้วนะ กัลยาณมิตรถ้าเราเสพคุณกัลยาณมิตรได้ประโยชน์ค่อนข้างมากมายนะมากมายเหลือเกินเพราะกัลยาณมิตรเนี่ยท่านก็จะแสดงเหตุแสดงผลนี่แหละแสดงเหตุแสดงผลอย่างยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือาการทําหน้าที่ของกัลยาณมิตรโอหน้าที่ของกัลยาณมิตรก็คือเมื่อมองในแง่งการศึกษาหรือการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่มิตรทํากิจต่างๆร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบภายนอกนะสิ่งที่สำคัญก็คือการมีอิทธิพลนี่แหละกาลยานมิตเก็มีอิทธิพลในด้านไหนด้านในด้านชักจูงกันในด้านของความคิดเห็นด้านทัศนคติค่ายโยงความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าทิฏฐินี่สำคัญมากนะเวลาเราไปคบมิตรเนี่ยหรือกาลยานมิตเนี่ยกลยานมิตเนี่ยมีอิทธิพลกับเราหมมีอิทธิพลทางด้านไหนความเห็น ทัศนคติค่านิยมมีไม่มี อ, อมีความรู้ความเข้าใจต่างๆเนี่ยที่ว่าทําทิศทีของเราให้เกิดขึ้นความเห็นให้เกิดขึ้นนั้นกัลยาณมิตจึงจึงมีส่วนประกอบสําคัญมากที่จะทําให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจถ้าเราได้กัลยาณมิตที่รู้มุมใดมุมหนึ่งนะนะจุดใดจุดเนี่ย หนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ก็จะปลูกทิฏฐิเราขึ้นมาปลูกความเห็นของของเราขึ้นมาปลูกไอ้ข้านิยมเราขึ้นมาให้มีความเห็นแล้วก็ความเชื่อในเรื่องนั้นๆเช่นเช่นเราไปครบมิตรว่าไงพี่่วงหรืล้างไปล้างหน้าไปเอ้ไม่งวงเอ้แต่ล้างนั้นตัวกัลยาณมิตรเนี่ยจึงมีอิทธิพลกับเราตรงนี้ยนะ ก็คือหน้าที่ของกรัลรยาณมิตรเป็นไปลักษาอย่างนั้นทีนี้ในที่นี้เขาเชื่อมโยงดีนะเดียวไปเอาในพระไตรปิกมาเชื่อมโยงให้เห็นหลักการคืออย่างนี้เขาเชื่อมโยงว่าหนึ่งกรัลรยาณมิตรเป็นเหตุทําให้เราได้สดับนะหนึ่งจากการเสวนาสัตว์ปรุษครบกัลยาณมิตรนะก็เป็นเหตุทําให้เราฟังได้มีโอกาสฟังธรรมพอเราฟังพระสัตธรมเราก็เกิดเลยศรัทธาพราะเกิดศรัทธาแล้วก็ตามมาด้วย เนี่ยโยนิโสเนี่ยมันจะมันจะมาลักษณะแบบนี้เห็นไหมเพราะมีกาลยายนมิตรเราเราจึงได้ฟังพอได้ฟังเราเกิดความเชื่อมัน่นพอเกิดความเชื่อมั่นก็เลยเกิดการคิดเป็นพอคิดเป็นขึ้นมาอะไรตามมาทีนี้อพอคิดเป็นขึ้นมาปุ๊บสัมมาทิฏฐิมาจากโยนิโสไหมสัมมาสังกัปปะ้ามาจากโยนิโสสัมมาวาจาก็มาจากโยนิโสสัมมากรรมตะเข้ามาจากโยนิโสสัมมาชีวะก็มาจากโยนิโส สมาชีวะสมาสติสมา is, สมาธิก็มาจากโยนิโสหมดเลยกลุ่มกุสลธรรมทั้งหมดมาจากโยนิโสสติประธานสามาปรานอิทธิบาทอินทรียพระพโฉงอริยมรรทั้งหลักทั้งหมดเหล่านี <that> ้มาจากโยนิโสไอโยนิโสก็มาจากศรัทธาศรัทธาก็มาจากการฟังธรรมฟังธรรมก็มาจากกัลยาณมิตรทั้งกัลยาณมิตรการเสวนาสัตบุตรเนี่ยหรือกัลยาณมิตรจึงเป็นประโยชน์ถ้าไม่ได้สดับฟังพอได้สดับพวกเกิดศรัทธา่อเกิดศรัทธาพวกเกิดโยนิโสได้โยนิโสมาแล้วแปลว่าปลอดภัยยังปลอดภัย ที่ในชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ตัวเนี้ยไม่ได้ตัวโยนิสโสเมลิสการ์นี่แหละมันยิ่งไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยในที่นี้มันเดินกุศลไม่ได้ดังั้นวันหนึ่งวันหนึ่งในกระแสชีวิตของพวกเราเนี่ยมันขาดตัวเนี้ยตัวโยนิสโสโยนิส โ, โนสโมีอาหารก็คือศรัทธาศรัทธาเปอาหารคือการฟังการฟังก็มีอาหารคือการขบกัญญาณมิตรใช่ไหมมันก็เชื่อมโยงไปอย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่าเวลาเราไม่ได้ฟังปุ๊บยุ่งเลยแต่เนี้ยวันไม่ได้สดับ ตอบฟังปุ๊บไอ้ศรัทธามาไม่ได้เพราะความเชื่อมันมาไม่ได้โยนิโสมาไม่ได้จริงไหมมันมันหลุดเป็นตอนตอนไงมันหลุดเป็นช่วงช่วงพอเราหยุดฟังเมื่อไหร่ปุ๊บหยุดสดับฟังเมื่อไหร่ละเสียเลยนั้นพวกเรามันเหมือนประเภทอะไรเนี่ยเป็นประเภทเหมือนในพวกไอ้ป่วยอาการโคม่าจัดเนี่ยมันต้องใช้ต้องจ้องจ้องให้น้ําเกลือตลอดให้ยาตลอดใช่ไหมพอเราถอดเข็มเข็มน้ําเกลือออก ร่างกายไปไม่ไหวซุดซุดดดดเหมือนอย่างนั้นเลยก็คือต้องปักไว้ตลอดประเด็นอยู่ตรงนี้เพราะพวกเราเนี่ยประเภทที่อ่อนแอมากต้องใชยกายานมิตลอดต้องฟังตลอดแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเนี่อ่อนแอขนาดหนักใช่ไหมพอไปฟังแล้วมันไม่เกื้อคุนวนักเข้าขนาดในขณนะที่ฟังยังดื้อเลยเคยเป็นไหมมันยังดื้อดการฟังเลยว่างนั้นเถอะมันเปประเภทที่เดินกุศลไม่ได้ไม่อยากฟังซะ อ, อย่างนั้นแหละกุศลศรัทธาก็ไม่เกิดโยนิโสไม่ต้องพูดถึงแล้วทีนี้ไม่มาแล้วอยังงี้เป็นต้นพอมองเห็นยัง ฉันจะแปลกใจว่าบางทีเนี่ยเราใจมันไม่น้อมจะฟังมันไม่อยากฟังด้วยเนะยเออไปฟังก็ฟังเป็นพิธีฟังเป็นพิธีไปงั้นแหละมันไม่สามารถจะสดับฟังพบเป็นศรัทธามันเกิดความเชื่อมั่นเกิดเพราะความเชื่อมั่นเกิดความก ล, วกล้ากล้าไงน่ะเข้าฉลาดในการที่จะคิดขึ้นมาเพราะฉลาดในการที่จะคิดขึ้นมากุศลก็เกิดใช่ไหมก็ไปไล่ตามโยนิโสมนสการตามแนวทางนั้นนั้นคิดให้กุศลเกิดยังไงคิดปลุกเร้าไงก็ว่ากันไปเหรอเนี่ยมันขาดตัวนี้ ในชีวิตของพวกเราเนี่ยมันขาดตัวนี้แหละขาดตัวอโยนิโสมนสัสการเนี่ยมันไม่ฉลาดในการคิดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นะทีนี้พอหลักเออตรงนี้ท่านพูดดีนะเดี๋ยวเอาตรงนี้นิดหนึ่งลักน่ะศรัทธ า, านเนี่ยสรัทธามาจากการฟังใช่ไหมศรัทธานี่ดีหรือไม่ดีดีไหมศรัทธานเนี่ยเราเป็นคนมีศรัทธามากหรือน้อย สธามีมากเลยน้อยความเชื่อมันมากเลยน้อยฮะเป็นสตาสาของพวกเราเหตุผลคือเราเราไม่ฟังเราไม่ค่อยฟังเ อ, อ่อทั้งทั้งที่ข้อมูลในการที่เราจะค้นคว้าหรือจะศึกษาเนี่ยมันมีอยู่ตลอดแต่เแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ขาดตัวเนี้ยขาดการฟังขาดการเรียนขาดการอ่านขาดการค้นคว้ามันขาดหมดเลยนะตรงนเนี้ยนี่ นั้นไอตัวที่จะเกิดกําลังที่เรียกโยนิโสมนจริงจริงศรัทธาตรงเนี้ยเออเขาสรุปไว้ดีนะในเรื่องเนี้ยศรัทธาเป็นเป็นขั้นหนึ่งในการในกระบวนการในการพัฒนาปัญญาเป็นขั้นต้นมากที่สุดเลยแต่มันมาจากการสดับนะมันต้องฟังการฟังก็มาจากกัลยาณมิสศรัทธาที่พระเจ้าทรงประสงค์นี่เป็นศรัทธาที่เนื่องด้วยเหตุผลมีปัญญารองรับแล้วก็เป็นทางสืบต่อส่งไปถึงปัญญาเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความรู้สึก อ, อมอบความไว้วางใจโดยสิ้นเชิงไม่ต้องไต่ถามไม่ไม่เอาเหตุผลไม่ใช่เป็นรักนะเอาเอาอวคิคะศรัทธาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ด้านเดียวศรัทธาที่พึงประสงค์ในศาสนามันเป็นศรัทธาที่พัฒนาไปสู่ปัญญาเพื่อจะส่งเสริมปัญญาเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะนี่เป็นศรัทธาที่ถูกต้องในด้านของความหมายที่เราจะต้องเราจะต้อง ทำาหน่งก็จะให้ชัดทีนี้ไอ้ตรงนี้นี่แหละว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยพอถ้าถามว่าตัวศรัท ธ, ธาก็ดีตัวทิฏฐิก็ดีต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนศรัทธากับทิฏฐิต่างกันตรงไห น, นทิฏฐิอ่ะ ที่จริงถ้าทิฏฐิจริงๆไม่ใช่อคุสนะเป็นแค่ความเห็นก่อนเนาะแท้ที่จริงเนี่ยมันต่อมันต่อรากรากอย่างนี้เนี่ยมันมาจากศรัทธาก่อนศรัทธานเป็นความความความเชื่อแล้วก็พัฒนาเป็นความเห็นพอพัฒนาจากความเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นเห็นเข้าใจเหตุเข้าใจผลเนี่ยเป็นความเห็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็จาก เข้าใจโดยเหตุผลเป็นทิฏฐิจนเป็นการรู้เป็นความรู้ความรู้เป็นญาณทัศนะในที่สุดเนี่ยนั้นขั้นตอนสุดท้ายมันหมดภาราของศรัทธาโดยสิ้นเชิงมืตอนที่ความรู้ดิฉันนั้นให้พวกเราพัฒนาไงหนึ่งศรัทธาสองความพัฒนาสุดทิฏฐิคือความเห็นไม่ใช่ทิฏฐิใจศิกนะเป็นทิฏฐิที่มันเป็นที่จะพัฒนาสุดทิฏฐิสัมปทาที่เป็นความทําทิฏฐิทําความเห็นให้ถึงพร้อม แล้วก็พัฒนาจากทิฏฐิจากความเห็นตามตามแนวของเหตุและผลแล้วเพื่อเข้าถึงญาณนะคือความรู้เหมือนอย่างนี้พายกตัวอย่างเช่นว่าเราบอกว่าเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าเราเดินทางไปไปไปเชียงรายเนี่ยเราเชื่อว่าจะต้องผ่านเราดูจากแผนที่แผนที่นะว่าแผนที่บอกว่านี่แผนที่นี่ถูกต้องที่สุดแล้วแต่เราไม่เคยไปเชียงรายเลย ไปจากสุพรรณจากสุพรรณเข้าสิงบุรีจากสิงบุรีเข้าชัยนาทเออขอไปจากเข้าสิงบุรีนะจากสิงบุรีเข้าเข้าชัยนาทจากชัยนาทไปนครสวรรค์จากนาครสวรรค์ไปพิโลกนะจากพิโลกก็ไปลำปางอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะไปตามลำดับเนี่ยอันนี้ตามตามแผนที่ใช่ไหมเรามีศรัทธาเราจะเดินทางไปเนี่ยแล้วก็พิจารณาถึงตามแนวทางทั้งหลายเหล่านี้ย ตามความตามแนวของเหตุผลไม่ต้องผ่านตามอย่างนี้เป็นเป็นไปตามลำดับเป็นความเห็นนะนะยังไม่เห็นจริงนะ เ, เป็นความเชื่อแล้วกพ็พัฒนาไปถึงความเห็นแต่พอเราได้เดินทางเข้าไปจริงๆมันประจักษ์ไปเก็บรายละเอียดตามเส้นทางนั้นได้จริงๆอันนี้เป็นความความเห็นเออเป็นเป็นความรู้แล้วเห็นพัฒนาจากศรัทธาความเห็นตามแนวทางของเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ตามลําดับที่เราได้ศึกษาแล้วหรือว่าโซนชั้นอากาศ ช่วงเนี้ยสุพรรณบุรียาอากาศยังไงสิงบุรียาอากาศยังไงอ่างทองอากาศยังไงอยุธยาเป็นตัวเหล่านี้อากาศเป็นยังไงไงเนี่ยเราศึกษาไปตามความแนวความคิดตามความเชื่อตามความเห็นนั้นๆต่อมาไปพิสูจน์ด้วยตัวเองจริงๆแล้วประจักษ์ด้วยยานนะด้วยข้อมูลความรู้อย่างแท้จริงอันนั้นเป็นปัญญาอันนี้ไหมเป็นญานทัศน์นั้นนี่เป็นต้นพอมองเห็นไหมใหม่ๆเราก็เอาความเชื่อไปเชื่อไว้กับปัญญาของพุทธิย่าก่อนเรายังไม่ได้เห็นจริง แล้วต่เห็นเอาไปเชื่อไปเสร็จพวกมาตรองตามแนวทางของเหตุผลแล้วมันได้เหตุผลไอการมาตรองตามแนวทางของเหตุผลตอนนั้นได้ญาณปัญญาหรือยังยังมันได้แค่ทิฏฐิก่อนเข้าใจยังมันได้แค่ตามแนวทางของเหตุผลที่ควรจะเป็นไปได้อย่างไรแต่พอเราได้ฝึกตนเองจนเข้าถึงอย่างกยกตัวอย่างเช่นว่า เ, เราฝึกพฤติกรรมของเราเป็นไวกศะสีฝึกทัศนะฝึกด้านจิตใจของเราให้ได้เมต่ต่างเนี่ยนะ แต่เรายังไม่เข้าใจหรอกเมตตาเป็นยังไงเรายังไม่เคยสัมผัสเลยนะไอ้เมตตามันเป็นยังไงเช่นความรากักความปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนก็พูดกันอย่างเงี้ยแต่มันฟังดูแล้วมันโอเคอ่ะใช่ไหมมันได้เหตุผลน่ยถ้าพัฒนาศีล ด, ดีแล้วพัฒนาสุขจิตดียังไงพัฒนาถุกปัญญายังไงเนี่ยมันได้นำแนวทางเหตุผลเราก็เลยฝึกตัวเองเลยนะี่ในขั้นตอนการฝึกเราก็สังเกต แล้วก็เห็นประจักษ์ได้ด้วยตนเองเกิดความรู้ความเข้าใจว่าเมตตามีลักษณะที่มีความรักปรารถนาดีเป็นลักษณะเพราะเมตตาเกิดขึ้นมันทํำลายโทสะทําลายพยาบาทได้จริงๆสภาพของเมตตาเกิดขึ้นมันเกิดความเย็นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญจริงๆอ๋อเมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเรามองมองบุคคลในแง่ที่ดีมองจุดเด่นของคนได้ง่ายสภาพเมตตามันก็เกิดเพราะเราก็ไปฝึกตามนั้นจริงๆนะิง เราพิจารณาเราเชื่อก่อนเชื่อปัญญาพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นตามแนวทางเหตุผลแล้วเราก็ลงมือไปฝึกแล้วก็ปัญญาก็ได้ไปเห็นจริงๆได้ไปสัมผัสสภาพของเมตตาที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยขั้นตอนจริงๆมันอยู่ตรงนั้นเน่ยปัญญาคือได้ประจักษ์เข้าใจยังยานปัญญาจริงๆก็ประจักษ์เห็นไหมไม่ต้องผ่านขั้นตอนหนึ่งศรัทธาสองทิฏฐิสามยานนะัคือความรู้ความเข้าใจเราเราเคยนี่ก็ถามว่าเออเนนบอมได้เคย ได้เคยฟังเรื่องเมตตาหรื อ, อยังฟังใช่ไหมแล้วเชื่อไหมเชื่อไหมว่าเมตตาเป็นพระธรรมที่จะสามารถกำจัดโทสะได้เชื่อไหมแล้วพอเชื่อแล้วพิจารณาเหตุผลได้พิจารณาอย่างถ่องแท้หรื อ, อยังตามแนวทางเหตุผลถ้าเมตตาเกิดขึ้นโทสะต้องละต้องต้อ ง, ต, องต้องหายไปจริงๆตามแนวเหตุผลควัจะเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหม แต่เรายังไม่สามารถเข้าไปประจักษ์ที่ฝึกให้เมตตาเกิดได้จริงๆแต่วันใดวันหนึ่งบอมไปฝึกให้เมตตาเกิดได้จริงๆแล้วสภาพโทสะความหงุดหงิดความความเครียดความวิตกกังวลมันถูกทําลายไปจริงๆสภาพจิตที่ผ่องใสเมตตามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เห็นตามนั้นจริงๆอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นปัญญานี้ระดับสามขั้นตอนเราเคยได้สัมผัสบ้างหรือ ย, อยังได้สัมผัสขั้นศรัทธาได้ยังทิฏฐิ เชื่อตามแนวทางเหตุผลที่พุทธิจถาบอกและปัญญาได้เห็นสภาพของเมตตาจริงๆเคยยังเคยแล้วใช่ไหมนานไหมยังไม่บ่อยใช่ไหมแล้วเมื่อได้สัมผัสสภาพของเมตตาจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโทสะนี่ไม่น่าเข้าไปเกี่ยวข้องเรารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกไม่อยากไม่อยากให้โทสะมากุ้งลุมในใจเราเลยไหมเราเรามีเคยมีความสุขจากการได้สัมผสัสเมตตาจริงๆใช่ไหม แล้วแล้วอยากจะมีมีอยากจะอยู่กับเมตตานานๆานไหมอ้าวแล้วที่คิตอนนี้มันจะอยู่ในเมตตานานๆานได้ยังไงทอนนี้อันนี้วิธีการแล้วตอเนี้ยวิธีการก็คือเราจะฝึกตนเองให้เข้าถึงเมตตาให้ต่อเ น, นื่องอันนี้ก็เ น, นี่ยมันสามขั้นตอนอย่างนี้ทุกอย่างเป็นไปลักษณะแบบนี้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องว่าไอ้ตัตวไอ้ดาเนินไปตามมรรคาดําเนินไปตามหนทาง ดำเนินชีวิตที่ดีงามทั้งหลายหนึ่งระดับศรัทธาเราได้อย่างเน้ยนได้ยางแต่ระดับทิฏฐิคิดไปตามแนวของเหตุและผลได้อย่างระดับปัญญาที่ได้สัมผัสไอ้ น, นี้อยู่ตรงนี้ฉะนั้นก็คือเวลาเรา <S <S 1> <S 1> เวลาชีวิตของพวกเราเนี่ยมันที่มันเดินกุศลไม่ได้ต่อเนื่องเพราะศรัทธาเราน้อย ใช่ไหมดงนั้นตอนนี้เราต้องเพิ่มอะไรเพิ่มศรัทธาศรัทธาไม่เกิดกเพราะเราสดับคําสอนน้อยไปพอมองเห็อนอี่ยังเดีเนี้ต้องให้อาหารของเขาให้ให้ต่อเนื่องเออนี่นี่ น, น, นี่การศรัทธาเนี่ยถ้าเรามองไปในเรื่องของการที่จะพัฒนาในเรื่องของศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา นะต้องต้องศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเขาบอกการสร้างเอเอตรงนี้เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ากําหนดขั้นตอนที่จะตัวเป็นระยะของศรัทธาก่อนเข้าสู่ปัญญาระยะแรกนะหนึ่งสร้างทัศนคติที่มีเหตุผลเมื่อมีมีศรัทธาแล้วเนะี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วนะเนี่ยสร้างทัศนาคติที่มีเหตุผลไม่เชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงแค่ฟังตำนานกันมาตามแนวของกาลามาสู มหมายความว่าเป็นคนที่พยายามสร้างทัศนกติให้มีเหตุผลไหมสร้างหรือไม่สร้างพยายามคิดเรื่องเหตุเรือร่องผลตลอดเวลาไหมต้องฝึกใช่ไหมอันนี้ต้องฝึกทําไมง่วงฮต้องตืง่นเว่าไม่ปลุกตัวเองไงต้องปลุกเราตัวเองให้ตื่นขึ้นในการที่จะฟังอยู่ไหม แต่บอมไม่ต้องห่วงเรื่องงองมีฟุ้งน่มันไม่หลับฟังก็จะตื้อตื้อด้วยใช่ไหมสมองตื้อไหมตื่เป็นคนฝึกคิดเรื่องเหตุเรื่องผลไหมพยายามอยู่ไหไ<ง>ตามแนวของการามสูตรเนี่ยเขาจะฟังตามๆกันมาเป็นต้นเหไรเนี้เราเราเราฝึก ฝึกที่จะคิดเอาเหตุและผลให้ให้กว้างสองเป็นผู้คุ้มครองสัจจะคำว่าคุ้มครองสัจจะในนั้นก็เรียกสัจญานุรักษ์ก็คือยินดีรับฟังหลักการทฤษฎีคําสอนความเห็นต่างๆของทุกฝ่ายทุกด้านโดยใจเป็นกลางนะเป็นคนแบบนี้ไหมฟังอะไรแล้วไม่ด่วนตัดสินใจยังไม่รู้ยังไม่เห็นเป็นอย่างแท้จริงเป็นตนน้นนว่าเป็นเท็จไม่ยืนกรานยึด ต, ติดสิ่งที่ตนรู้คนเห็นเท่านั้นว่าถูกต้องก็คือเป็นคนที่ คำว่าค้มครองเป็นผู้คุ้มครองสัจจะเนี่ยคือสัจจานุรักคือยินดีรับฟังคือตั้งสัจจะในใจของเนาเองว่าเราจะยินดีฟังทุกข้อมูลทุกด้านเนี่ยยินดีฟังสมมติเรา จ, จะถ้าถามว่าอย่างนี้นะแหฮมเวลาหนูให้ทานหนูคิดยังไง เ, เวลาให้ทานเวลาจะให้ทานาคิดยังไง อะไรจึงชอบอะไรไปเนี่ยแตไม่ชอบให้ทานะฮะให้ได้สละสละยังไงคิดยังไงถึงให้ทานทานแค่นั้นเอง เราต้องการอะไรเราตึงให้ทานเราต้องการอะไรเราจึงให้ให้คนอื่นก็กสมหวังคิดงั้นตะอร่อยเลยหรือเอาแล้วเวล า, เ, าเนเาเ น, เาเ น, นบอมเขาเขาปรารถนาอยา ก, ก น, นอนหลับแล้วทำไมไม่หาวิธีช่วยเขาก็ช่วยทุกวันปะ คิดว่าหาวิธีการว่าจะทําไงพี่ก็นอนหลับหรือว่าเรื่อ ง, งอยากนอนไม่หลับเองช่วยไม่ได้ฉันก็นอนฉันเคยเคยรู้สึกไหมว่าอยากจะหาวิธีช่วยให้ได้คิดกี่ครั้งอ่ะแล้วเวลาจะให้ทานคิดยังไงคิดว่าจะให้เขาผสมหวังอย่างเดียวต่นนั้นเองใช่ไหม อ้าวบบเวลาจะให้ทานคิดยังไงทุกครั้งคิดอย่างนี้เลยอ๋ออ๋ออ๋อคอ๋อแล้ว<อ> เวลาจะคิดแต่ละครั้งไงเวลาจะให้ตายแต่ละครั้งคิดยังไงในชีวิตจริงๆเลยเนะที่คิดจริงๆเลยนะคิดยังไง ครั้งเลยเริ่มคิดอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อจะพยายามคิดอย่างนี้ก็งั้นก็มีมุมมีไหมจริงจริงก็คือในเรื่องการให้ทานเนี่ยอยากไปที่จริงเคยพวกเราเนี่ฟังเรื่องทานมาเยอะมีทัศนคตการให้ทานมีเรื่องเยอะใช่ไหมบางคนก็ให้ด้วลำเอียงเพราะรักให้ลำเอียงด้วยเพราะโกรธให้ลำเอียงเพราะหลงให้ลำเอียงเพราะกลัวใช่ไหม ให้ตามประเพณีให้หวังสุขติโลกสวรรค์ใช่ไหมให้แล้วมันสบายใจเป็นคราวๆคราวๆให้แล้วไม่ต้องคิดอะไรอยากให้ก็ให้คนนี้กูชอบไม่ชอบครเนี่ยเราก็จะเห็นไอ้ทัศนคติทัศนคติความคิดเห็นของมนุษย์เนี่ยความเชื่อของมนุษย์เนี่ยที่มันเป็นไปต่างๆกันแล้วก็ให้ใ ห, ให้ให้กันไปแล้วเราก็มีทัศนคติแบบนี้แบบนี้แค่ว่า อ, าอยากให้คนอื่นผิดหวงังก็คิดแค่นี้เองอะ่ะเออเราก็มองดูเวลามนุษย์ที่มันให้กันเนี่ยแล้ววิธีให้ทานงบของเรามันก็จํากัด เราจำกัดก็แค่ว่าจะมีไปเอาอาหารมาให้มันก็ตามๆเซ็งๆเบื่อๆกันทําอย่างนี้เนี่ยนะแต่เราไม่เคยคิดเรื่องอื่นอย่างยกตัวอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้พี่เขาเดินมาลุกพี่นั่งนี่เป็นทานกุศลได้ไหมแล้วก็สละที่ไงเป็นศีลได้ไหมเป็นศีลได้ไหมเป็นศีลตรงที่เป็น จารีตไงกันหนูอายุน้อยกว่าคนจะลุกให้คนที่มีอายุมากกว่าก็ดีลุกให้พระก็ดีจัดเสนาสนะอะไรต่างเป็นศีลได้ด้วยไหมเป็นจารีตไหมเป็นอญญายะประเพณีประเพณีอริย์ด้วยเป็นภาวนากุศลได้ไหมเป็นได้ไหมมีความรักความปรารถนาดีเมตตาไงเมตตามันเกิดขึ้นไงมองออกไหมกําจัดความกําจัดความตณีกําจัดโทสะ ในใจเราใจเราเมตตาลากปรารถนาที่ก้อนปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นนเรื่อให้เขามีความสุขยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็ว่าไปใช่ไหมมันเป็นได้ทั้งทานศีลและภาวนาใช่ไหมถ้าเราพิจารณาเป็นเเลยเนีเ่ยไอ้ตรงเนี้ยมันหลักการคิดเป็นทัทศนคติมุมมองที่มันจะคิดเ อ, อคิดถ้ามันคิดเพื่อเพื่อแค่เนี้ยมันก็อยู่ในโลกใบนี้มันก็เป็นกรรมที่ทําอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหม เช่นทําให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีอะไรยิ่ ง, ง, งขึ้นไปก็ว่าไปเพื่อจะเกื้อกูลเขาแต่แต่เรามีทัศนคติที่คิดอคิดให้มันเป็นความถึงพร้อมในการคิดที่เป็นที่ติดสัมปทานได้จริงๆเนี่ยมันก็มีปรับทัศนคติตามแนวทางของเหตุและผลเพื่อจะต่อยอดไปถึงปัญญาเพื่อขัดเกากิเลสเพื่อปัจจัยความ้นทุกข์นั่นก็ว่าไปใช่ไหมงั้นทัศนคติในการให้เนี่ยมันต้องมันต้องฝึกคิดจริงๆนะมันไม่ใช่แค่เออเราไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่มีอาหารเลยอะ่ะตอนเนี้ย แต่จริงๆเรามีอะไรน้ำใจงไงมีน้ำใจงไงมีน้ำใจลุกขึ้นไปตักน้ำให้พี่เขาได้ไหมเอาได้อีกอกวาดสถานที่มันสะอาดเพื่อให้พี่เพื่อให้พระเขาได้อยู่สะดวกสบายได้ไหมเอาได้อีกเดินไปขัดท้องน้ำที่จะทำให้สะอาดให้สงเขาได้ได้รับความสะอาดสะดวกสบายขอโอกาสได้ได้หมดไหมจริงๆแล้วจริงๆกรรมเหล่านี้กุศลเหล่านี้มันจาเป็นต้องต้องให้คนใช่ไหม เห็นแม้มันต้องมันคิดได้เองนะไอ้คนที่เขาคนที่เขาเดินกุศลได้จริงๆมีทัศนคติที่ในการที่จะเดินกุศลขวายคว้าในการที่เดินกุศลมันมองอะไรมันสามารถที่จะปรุงแต่งจิตประดับจิตได้เพื่อจะขัดเกลาร์ตนเองแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองเอากุศลให้ได้ทุกทุกกรณีที่ที่ตนเองไปเกี่ยวข้องได้จริงจใช่ไหมเออตรงนี้มันมันมีมุมพวกนี้มั้ยมีไหม ไอ้มมตรงนี้มันต้องกระตุ้นให้คิดนะต้องฝึกจริงๆนะมันจริงได้อะไรทัศนคติจากศรัทธาเข้ามาถึงทิฏฐิจากทิฏฐิเข้าถึงปัญญาได้อ่ะใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ต่อยอดให้เป็นทั้งหมดเหล่านี้มันคือการฝึกในการเจริญกุศลธรรมจริงๆนะมันมันไม่ใช่ไปนั่งอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องรู้ราวมันไม่ได้กุศลนะแบบเนี้ก็คือฝึกให้มันได้กุศลจริงๆไงเป็นต้นพอมองเห็ น, นยังท่านกุศลมันเกิดขึ้นได้จริงๆไงนะ ในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือรับฟังทฤษฎีคําสอนความเห็นต่างๆของผู้อื่นแล้วนํามาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาขั้นว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุผลเมื่อเห็นว่าผู้แสดงทฤษฎีคําสอนหรือความเห็นนั้นๆเป็นผู้มีความจริงใจไม่ลําเอียงมีปัญญาก็เลื่อมใสรับเอามาเพื่อคิดหาเหตุผลทดสอบนีทดสอ บ, นะ ท, ดสอบออทดสอบความจริงต่อไปอันนี้ก็อันนี้ก็พัฒนาในด้านข้อมูลความรู้ ประการต่อมาคือว่าอ อ, อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามีความเครือบแคลมสงสยัยก็สอบถามด้วยใจที่บริสุทธิ์มุ่งปัญญาเนี่ไม่เชื่มุ่งอาหารการมามังการ mm hmm. เวลาเราเกิดความสงสยัยใดๆขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาจะสอบถามคนเนี่ยก็ถามมุ่งอาหารการมามังการเข้าใจคําว่าอาหารการมามังการมั้ยมุ่งเพื่อยกว่าตนเองรู้ตนเองเด่นหรือบางทีถามก็ รลบตนเองแต่ไม่ได้มุ่งปัญญาจริงๆมีไหมว่าเราเป็นคนต้องถามตัวเองเป็นคนที่แสวงหาปัญญาจริงๆไหมชอบปัญญาไหมรักปัญญาไหมเป็นคนรักปัญญาไหมชอบไหมชอบการมีปัญญาไหมชอบไหมชอบการมีปัญญาไหมรักไหมรู้ไหมเหตุที่ทาให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องทําังไงเราเราเป็นคนที่เห็นทุกอย่างแล้วว่า ฝึกคิดวิเคราะห์ไหมอันนี้ไม่อย่างงี้ไม่ใช่เป็นบอกเกิดถึงปัญญาคนที่จะมีปัญญาได้เป็นคนนักวิเคราะห์เนี่ยนักคิดเนี่ยอย่างบอมนอนไม่หลับก็เป็นคนเป็นคนนักคิดเป็นนักเหตุผลใช่ไมเพราะอะไรก็คิดเห็นอะไรก็คิดไปเรื่ อ, อยองี้แสดงว่าเป็นนักเหตุผลอย่างงี้เขาเรียกอะไรมันหยุดไม่อยู่ใช่เองใช่ไมมันไปเรื่อยใช่ไม แต่มันไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดใช่ไห ม, มไปอย่างงี้ไม่ใช่ฝึกได้ไหมฝึกเป็นคนมีเหตุผลมันเหนื่อยไหมถ้าเราเห็นอะไรแล้วเราจะฝึกคิดชอบไหมเป็นคนชอบวิเคราะห์ชอบคิดชอบวิจัยใฝ่รู้ฝึกได้ไหมฝึกให้เกิดได้ไหม ก็สมาทานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูต้องสมาทานว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนฝ่ายศึกษาฝ่ายวิเคราะห์ฝ่ายคิดเราจะต้องเป็นคนมีปัญญาให้ได้เราจะไม่อยู่แค่ความเชื่อและความเห็นแต่พัฒนาจากความเชื่อและความเห็ น, หนก็ไปสู่ปัญญาที่รู้จริงให้ได้เพราะในศาสนานี้พระพุทธเจ้าส่งเสริมอะไรส่งเสริมปัญญา เราเป็นพทธบริษัทเราก็ต้องเดินบัญญาให้ได้จริงเราจะไม่อยู่หลบแบบมึนๆ อ, อื่นๆในเรื่องทุกๆเรื่องเด็ดขาดทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาจะเป็นกระบวนการในการที่เราเรียนรู้ศึกษาแล้ววิเคราะห์เจาะลึกเข้าใจไหมทีนี้ยมันต้องตั้งใจไหมตั้งใจวันนึงตั้งใจกี่ครั้งถึงจะเกิดเป็นยาจริงๆต้องตั้งใจกี่ครั้งทุกประเด็นที่เห็นต้องตั้งใจอะไม่ได้ตรงนี้เราต้องวิเคราะห์ยังไม่ได้ตรงนี้ต้องวิเคราะห์ต้องปลุกเร้าตัวเองขึ้นมาว่าจะต้องจะต้องรู้เรื่องนี้รู้เรื่องนี้ เมื่อรู้แล้วก็บางทีก็บันทึกบันทึกบันทึกบันทึกเข้าใจว่าเขียนเขียนไว้บางทีจดบันทึกไว้มันจำไม่ดับไม่หมดนี่รู้เรื่องอะไรก็บันทึกบันทึกไว้เกิดความเข้าใจอะไรเนี่ยเดี๋ยววันต่อไปมันลืมไหมเดี๋ยวมันลืมต้องวิเคราะห์ไว้ต้องบันทึกไว้บันทึกไว้เอาเรื่องนี้เราอยากจะรู้ค้นไปเลยค้นไปศึกษาไปค้นค้นให้ถึงที่สุดได้แค่ไหนก็มาร์กไว้โอได้แค่นี้ ถ้ามันมีเวลาเมื่อไหร่จะต่อเรื่องนี้ให้ได้แต่วันนี้คิดได้แค่นี้ก่อนเอาไว้แค่นี้แต่ไม่ยอมจำนอนอยู่เพียงแค่นี้เราจะคิดให้เธอรู้เธหลวงให้เกิดความเข้าใจใน istles, เรื่องนี้ได้ถ้าฝึกอย่างนี้จริงจปัญญาจะเดินไหมเนี่ยเออก็ฝึกแบบนี้แหละวิธีการใช่ไหมได้ได้เป็นแบบนี้ไหมได้เคยคิดเจาะแบบนี้จริงๆริงไหมเจาะปัญญาให้เกิดขึ้นก็คือฝึกจริงๆตรงนี้ก็คืออยากจะให้เราได้มองมองในเรื่องนี้อนะให้เกิดความเข้าใจ นี่ในด้านของตัวตัวปัญญาเนี่ยนะตัวปัญญาทีนี้เมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของกัลยาณมิตตตาสีระสมปทานนข้อที่สองข้อที่สองก็เรืสีละสมปทาเนี่ยทำสีได้ถึงพร้อมเนี่ยสีนี่รวมไปถึงวินัยด้วยนะถ้าในหลักจริงๆท่านพูดถึงสีโดยมากก็คือว่า ในการรู้จักจัดระเบียบความเป็นอยู่กิจกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อออกาสในการพัฒนาวิญญาคือศีลขั้นพื้นฐานนี่แหละศีลขั้นพื้นฐานในด้านของปฏิโมกสังวารศีลอินเดียยสังวรและศีลปฏิญาสนนิสฐิตาศีล อ, อาชิวาปิสุทธิศีลอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าเราสร้างปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มันจะเอื้อมันจะเอื้อต่อการที่จะพัฒนาปัญญา คำว่าทําศีลนี่ถึงพร้อมทุกด้านนะบางทีศีลทางด้านด้านพฤติกรรมทางกายเราน่าจะโอเคบางทีแต่ทางด้านวาจาเราบกพร่องเลยไม่ได้ฝึกเลยหรือว่าด้านการที่อยู่อาศัยใช่ไหมเครื่องน้ำหอมยาอาหารทั้งหลายเหล่านี้ยตลอดถึงที่อยู่อาศัยเครื่องนหอมยาอาหารสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเรา เราไม่ฉลาดในการที่จะใช้สอยไม่มีปัญญาในการที่จะพิจารณาไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะใช้ของเหล่านี้ให้เกิดกุศลได้จริงมันก็ไม่เป็นศีลแม้เราจัดระเบียบอะไรต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเลยแต่กุศลมันไม่เกิดได้จริงในขณะที่เราไปทํากิจกรรมเหล่านั้นศีลมันก็ไม่เกิดจริงใช่ไหมอย่างนี้เป็นด้วยอาการไปบินบาบก็เป็นศีลของเราอย่างหนึ่งแต่ถ้ากุศลไม่เกิดขึ้นมันก็มันก็ได้แค่รูปแบบได้แค่วินยัยแต่ไม่พัฒนาสุสีในถึงพร้อม แม้การเห็นการได้ยินทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นศีลนะเขาเรียกว่า sea, วอินรีสังวรและศีลใช่ไหมถ้าเราดูแล้วกุศลไม่เกิดฟังแล้วกุศลไม่เกิดดมกลิ่นลิ้มรสทั้งหลายเหล่านี้สัมผัสคิดนึกกุศลไม่เกิดสติสัมภชัญญะมันไม่เดินจริงตัวศีลมันก็ไม่ถึงพร้อมดังนั้นการตรงนี้ก็ต้องฝึกนะต้องฝึกเคยคิดไหมว่าจริงๆร่ยการเราเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมมันเป็นศีลและเราจะทําให้มันถึงพร้อมทุกๆด้านด้านศีนนะด้านพฤติกรรมที่เราไปเกี่ยวข้องไปสัมพันธ์ อืการการอยู่ด้วยกันแล้วใช้วาจาพูดต่อกันเป็นศีลไหมพูดไม่ให้เป็นศีลได้ไหมด่ากันไงพูดพูดไม่ให้เป็นศีลเลยตอนหน้าพูดอย่างรับหลังก็พูดอย่างก็ไม่เป็นศีลนี่ก็ฝึกในการใช้คําพูดต่อกันเป็นพูดแล้วเกื้อกูลต่อกันให้เกียกรติกันปฏิบัติต่อกันได้ดีอชวนกันทํากิจกรรมตรงไหนมันไม่สะอาดทั้งหลายเลยนี้ก็ช่วยกันทําเนี้ย การปรับทั้งหลายเหล่านี้ทําสิ่งต่างๆในบริบทตัวนี้ให้เกิดเป็นด้วยความดีความเรียบงา่ายเรียบร้อยดีงามอันนี้เป็นทําศีลได้ถึงพร้อมอันนี้เขาเรียกอยู่ในอยู่ในคัมภีร์สัจจะนั่นเนี่ยแต่ในที่นี้เขาย่อออกมาพอดีในคัมภีร์สัยุะเขากขายายไว้หลายที่ตรงนี้เ ข, เขียนว่าการใช้ปัจจัยศีรวมถึงการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนี่เขาปัจจุบันนี้ก็ใช้ iPad iPhone มือถือเป็นศีลได้ไหม ไม่เป็นศีลได้ไหมถ้าใช้เป็นกรณีศึกษาเป็นเป็นศีลถ้าใช้กรณีเสพติดเพลิดเพลินสนุกสนานกลายเป็นทุกศีลไปแต่ทุกวันนี้วิธีกันก็คือห้ามห้ามดูห้ามฟังกันไปเลยอย่างนี้เขาจะใช้กันวิธีกันแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มีโทษมีหมดเลยทุกอย่างมีทั้งคุณทั้งโทษหมดแต่ว่าเราจะเราจะเอามันมาเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ยังไง แต่บางทีวันวันหนึ่งแล้วเกี่ยวข้องกับวันวันก่อนเอกโทรมาบอกว่าตอนเนี้คนอยู่กับไอแพ i ไอโฟนอยู่กับมือถือเนี่ยวันหนึ่งเก้าชั่วโมงนี่จบอะไรถึงไปเลยนะไปไม่เป็นแล้วตอนนี้เก้าชั่วโมงต้องไปไปเสพคุ้นกับมันอยู่ไอเนี้ยวันวันก็ก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กอยู่ในระหว่างงานอันนี้เป็นปัญหามากก็สถิติจากการอจากข้อมูลเนี่ย แปลว่ามนุษย์อยู่กับมันขนาดนั้นแล้ววันวันหนึ่งต้องอยู่กับไอ้สิ่งเสพทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรต่างวันวันหนี่ยไปเกี่ยวข้องวันวัเก้าชั่วโมงถึงไหมจริงๆแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้แปลว่าหนักแล้วนะนี่เปแปลว่าการหนักแล้วไม่ใช่เสพแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่ศึกษาแล้วกลายเป็นเสพติดนอกจากเสพติดละไม่ได้เลยทีนี้ขนาดไปโรงพยาบาลนี่เดี๋ยวก็ดูดูพนักงานไปนั่งโรงพยาบาลวันวันเนี่ยแก่ๆถ้าเท่าดูก็แก๊กก็แกกเล่นอะไรกันอยู่นั่นแหละ ทั้งแกทั้งเท่าคุยกันอยู่แป๊บเดียวนอกนั้นต่างคนต่างเอามือถือขึ้นมาควักเล่นอยู่กันหมอก็เป็นพยาบาลก็เป็นโอ้โหเป็นกันหมดเลยเดี๋ยนี้เข็นคนไข้ไปหน่อยไอ้คนเข็นคนไข้เข็นไปนิดนึ่งก็โทรศัพท์มาดูเอารออยู่ตรงนั้นเดินรอคนไข้ก็เล่นก็แกๆแกยูอย่างนั้นแหละบางทีก็หลบไอ้ที่ยามก็เหมือนกันนะวิ่งบอกรอดบอกเล็กหน่อยกระโดดหลบไปเอามือถือมาดู ไอเด็กคนนั้นก็ไปดูมือถือ อ, อาจารย์ถามเข้าไปถามเพื่อจะถามหาพระเข้ามาให้มองไม่เห็นให้ถามยามถามยามบอกเข้าไปแล้วแต่ไม่รู้ออกยังไม่รู้อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะมันมันกลายเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของมนุษย์ไปอยู่ตรงนี้เสพนี่แปลว่าไม่เป็นศีลเข้าใจะยังเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเพื่อจะเอาประโยชน์ปะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณได้จริงๆนะถ้าเราใช้มันเป็นแต่ในส่วนจริงเรากลับกลายเป็นว่าเสียคุณภาพชีวิตเสียสุขภาพ ที่ต้องไปหมกมุ่นกับมันทุกวันหนูเป็นไหมหมกมุ่นกับมันเยอะไหมไม่เยอะเลยใช่ไหมหมกมุ่นกับมันเยอะไหมวันวันเยอะไหมต่อวันนี่จริงจริงคิดว่ามันเป็นโทษไหมเป็นโทษจริงจริงเอามาศึกษาให้เป็นประโยชน์ได้จริงๆนะ มันเป็นศีลได้จริงแต่ว่าเราเราตอนนี้เราเริ่มสมัยก่อนก็อุปกรณ์ทั้งหลายที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็อันเดียวกันนี่แหละจริงๆนะมันอาจจะพัฒนาตัวมันไปขนาดไหนก็มันก็คือเรื่องเดียวกันยอดยานผานนะเอยของใช้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นที่เราไปเกี่ยวข้องเป็นสัมพันธ์กับมันนี่ศีลประการต่อมาคือฉันท่าสัมปทาในฉันท่าเนี่ยทําฉันท่าให้ถึงพร้อมอ่ะที่ตรงนี้ ในความหมายของคําว่าฉันทะในที่นี้มันหมายถึงมีจิตใจใฝ่ใฝ่ดีไฝ่ธรรมใฝ่สร้างสรรค์นะก็แปลว่ารักในฉันทะตัวนี้คือตัวฉันทะสัมิทากัตัญหาสัมิธรมันต่างกันเออไม่ฉันทะปรัชนากัตัญหาปรัชนาในนี้ถ้าขับเน้นตัวฉันทะฉันทะสมัมิทาในนี้ขับเน้นตัวกุศลฉันทะไม่ใช่ฉันไม่ใช่การมาฉันทะ ไอ้ตัวนี้ก็คือหมายความว่าเป็นใจอใยเหมือนเรียนหนังสือไปแปลหนังสือหนูแปลหนังสือทมบทด้วยฉันท่าก็แปลด้วยตัณหาต่างกันตรงไห น, นอ่าต่างกันตรงไห น, นต้องแยกแยกแยกความรู้สึกที่เป็นฉันท่ากับตัณหาเนีย่ย แยกได้ไหมอา้าเรียนหนังสือแบบฉันท่าแบบตันหาต่างกันตรงไหนเคยสังเกตไหมว่าตอนนี้เป็นตันหานี่ว่าตอนนี้เป็นฉันท่านี่ว่านี่ใครดูหนังสื อ, อมันต่างกันยังไงทำไมอยากอ่านให้จบ แล้วทําไปทําไมตอนนั้นที่ว่าอยากให้เร็วๆเวลาเราอยากจะอ่านหนังสือจบเร็วๆใช่ไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นฉันท่าอ๋อแล้วจุดหมายต่างกันไหมจุดหมายของการทําแต่ละอย่างฉันท่ากับตันหาต่างกันไหม ต่างกันไหมอ๋อแล้วนายฉันท่ากับตัญหาต่างกันไหมควาจุดหมายต่างยังไงเคยเป็นไหมเป็นยังไงเอาเล่าให้ฟังที่ชีวิตที่ใช้อยู่กับตัญหาเป็นยังไงยกตัวอย่างให้เห็นดิ ชีวิตแบบมีตัณหาหรือแบบมีชันทะาในชีวิตจริงๆมันแยกเคยแยกไหมทําไมไม่แยกอะเคยแยกไหมอะทาไมไม่แยกอะถ้างั้นชีวิตเราก็ต้องเป็นอยู่กับตัณหาตลอดทั้างั้นแต่เราไม่แยกแยะเลยอยู่มึนๆงงๆเนี่ยชันท้ามันกลายเป็นว่าเอ่ออย่างเหมือนเรียนเนี่ยมันรักเรียนนั้นฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ฝ่ายอยากฝ่ายใยรู้มันฝ่ายอยากจะศึกษาใยอยากจะค้นคว้าอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเป็นไหมเคยเป็นไหมเงี้ย มันมีความรักในการที่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจรักในการมีปัญญารักในการมีสมาธิรักในการที่จะฝึกตนเองเนี่ยรักในการที่จะต้องรอบรู้ด้วยตนเองรู้ให้ละเอียดเมื่อได้เกิดความรู้ความเข้าใจในขณะนั้นก็จะมีความสุขทุกขั้นตอนที่รู้ในขณะที่อ่านไปรู้สึกตื่นเต้นในการอ่านมีความสุขในการอ่านได้ยิ่งได้รู้ได้เข้าใจก็เกิดความชอบในการอ่านยิ่งยิ่งขึ้นไปว่างั้นเถอะ ยิ่งความรู้ทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันรู้สึกรายละเอียดแล้วจะเก็บรายละเอียดเข้าใจเหตุเข้าใจผลแต่จุดหมายคือต้องการอยากจะได้ปัญญารู้เรื่องนี้อย่างอย่างลึกซึ้งจริงๆมันการพัฒนาทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจตนเองด้วยพัฒนาทัศนคความเห็นความรู้ของตัวเองให้เกิดความรู้อย่างทองแท้สามารถวิจัยได้รอบด้านด้วยนั่นคือเป้าหมายตัวเองอย่างเงี้ยส่วนผลพลอยได้ของของการอ่านก็คือไปสอบได้บ้างคนอื่นเขายกย่องสรรเสริญมันเป็นผลพลอยได้ไม่จุดหมายหลัก เลยแต่จุดหมายจุดหมายหลักตัวเองมันใยรู้ใยเรียนใยศึกษาจริงๆนะมันเกิดความรักความต้องการที่จะรู้จะเข้าใจในเรื่องนั้นๆจริงๆแล้วในเรื่องข้อมูลที่ตัวเองกําลังเรียนกําลังเข้าไปศึกษากําลังรู้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความสุขทุกขั้นตอนในขณะที่ไปทำมันตื่นเต้นแม้บาที่เวลาหมดแล้วที่เราตั้งกันไว้เนี่ยความสุขยังไม่หายเลยยังมีความสุขเลย ไม่ใช่เบื่อทําไปเบื่อไปขี้เกียจเหลือเกินนี่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทกใจลําบากใจในการต้องมาทนดูไม่มีความฝืนตรงตรงนั้นเลยเป็นไหมเนีตรงนี้เราเราต้องให้เหตุปัจจัยมันนะไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดเองนะฉันท่าเนี่ยฉันทามันมากับเหตุผลมันมากับความรู้ความเข้าใจมันเห็นว่าสิ่งที่ทําน่ยมันดีจุดหมายมันก็เลิศ มันรักใช่ไหมรักธทำมันรั ก, กรมันรักแล้วมันมันรักการการะทําแบบนี้รักการอ่านแบบนี้จุดหมายคือถ้าฉลาดรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เลิศเพราะมนุษย์ไม่รู้รายละเอียดตรงนี้นี่แหละมันถึงพูดอะไรมันก็ไม่เข้าใจไม่สามารถนํามาอธิบายมานําให้เหตุผลคนอื่นได้และในขณะเดียวกันเวลาอ่านหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยต้องสามารถนํามาแสดงได้เคคิดอย่างนี้ไหม ต้องคิดด้วยต้องสามารถนำมับอกกล่าวคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่แค่รู้แล้วมันผ่านมันนอนหลับฝันแล้วเล่าไม่ได้ไม่เป็นเราจะฝึกตัวเองอ่ะเขายังต่อไปฝึกตัวเองว่าสมมติเราแปลจากขุปาลาทเทล่าเนี่ยแปลเสร็จแล้วถามให้เล่าเออออ่ะเนี่ยอย่าเป็นไอแบบเนี้ยเราจะไม่เป็นแบบนั้น เราอ่านด้วยรายละเอียดด้วยด้วยขั้นตอนทุกขั้นตอนแปลด้วยทั้งภาษาบาลีด้วยเราแปลออกเป็นภาษาไทยรู้เรื่องโครงเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ด้วยจับรายละเอียดทุกขั้นตอนคิดขึ้นคิดลงได้ย่อดได้ขยายได้ว่างั้นเถอะแล้วเราต้องสามารถนำมาเล่าให้เขาเข้าใจได้โดยชนิดไม่ให้เขาลำบากเข้าใจ้ยให้คนฟังกาไม่ลาบากเรายอมลาบากแทนคนอื่นเขา เพราะเราต้องการเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนอยไหมเราสามารถจับเอาสาระที่เราได้แปลได้อ่านมาแล้วสามารถมาเล่าให้คนอื่นฟังได้ใช่ไหอย่างยกตัวอย่างเช่น เ, เวลาเราแปลตอนที่พระจักกุ ป, ปาละเนี่ยท่านตัดสินใจใช่ไหมท่านตัดสินใจว่าะจะเอาตาจะเอาตาไว้ใช่ไหม ไอ้บอกว่าไ อ, อ้กิเลสนะไอ้วัตตะอกตาเนี่ยเราจะเอาอะไรเนี่ยเราจะเอานิพพานหรือจะเอาตาหรือว่าอ่านเข้าไปมันเข้าใจบทอย่างนี้เลยคือจะเอาตาหรือจะเอานิพพานเนี้ยถ้าจะเอาตาไว้ประคองตาไว้ก็คือประคองอัตภาพไว้ประคับประงมมันไว้แต่เราจะไม่ได้นิพพานนะ แต่ถ้าเราจะขนขวายเร่งรัดในการที่จะฝึกตนเองให้กิเลสมันนิพพานเพื่อจะทําให้มันหมดกิเลสกองทุกตามันต้องบอดเนี่ยการตัดสินใจระหว่างสองทางอย่างเงี้ยฉันท่าเนี่ยมันจะรักด้วยไหนฉันท่าฉันทารักนิพพานถ้าตัณหาตัณหาก็รักดวงตาอันนี้มันเริ่มแยกออกแล้วใช่ไหมมันจนหมายไม่ต่างกันแล้วตอนนี้เพราะอ่านอ่านจักปุปาริเถรแล้วมันจะมันจะเข้าใจแล้ว มันท่านถึงบอกว่าตาเอ๋ยยงชิบหายเลเอาละแต่เนี้ยตาจงชิบหายเลยว่ากันเถอะกูเนี่ยขออภัยอัฐภาพมันแบกตามาไม่รู้ทุกอัฐภาพมันก็บอดไปทุกอัฐภาพอ่ะมันไม่เคยสามารถรักษาตามันถาวรมั่นคงเที่ยงแท้ได้จริงเลยที่สุดจริงก็พังมหมดแล้วจะเอาทําไมเห็น ไ, ไหมฉนันไม่เอาตาก็คือไม่เอาตันหานี้ยเองแต่ฉันจเอานี่ผ่าน ไม่สนไม่สนอะไรแต่เนี้ยเออตรงเนี้ยเราก็คือเราอ่านเราแปลแล้วก็าสามารถถอดเอาอัฐถเอาสาระเข้ามาปลุกเร า, าตัวเองได้เขาใจไหมปลุกเร า, าตัวเองได้วะไม่ใ่แปลไปตาจงชิบหายก็ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมอีวุ้นกูทำไม่ได้หรอกท่านทำได้มองออกไหมเราไม่ได้ประโยชน์จากการที่เราโอ้จริงๆ ความคิดของท่านนี่ตอนที่ท่านคิดแบบนี้ตอนนั้นท่านเป็นบุทุชนทำไมท่านคิดได้วะแลวตอนนี้เราเป็นบุตุชนแต่ทำไมเราคิดมุมนี้ไม่ได้จะไหมมันต้องคิดอย่างนี้อ๋อเพราะคนกล้าคิดอย่างนี้นี่เองกิเลสมันถึงดับมันถ้งได้นิพานเพราะเราไม่กล้าคิดอย่างนี้เราจึงไม่นิพานไม่แปลกไม่แปลกเอาละเราจะฝึกคิดอย่างนี้ เคยอ่านไปแปลไปแล้วมีมุมคิดแบบนี้ไหมเนี่ยเราก็ฝึกนี่นี่คือประเด็นอันนี้ยกตัวอย่างสักประเด็นซึ่งมันมีประโยคสนทนาอะไรกันเยอะแยะมากสังเกตดูนะคนมีปัญญาท่านสนทนาท่านจะพยายามพูดพูดกับหมอใช่ไหมหมอที่มาคุยกับท่านแล้วหมอก็บอกต่อไปท่านอย่าใบบอกนะว่าฉันเป็นหมอมารักษาหมอไม่กลัวเสียชื่อ อย่ามาบอกว่าฉันเป็นหมอคุณอีกต่อไปนะตั้งแต่วันนี้ไปเลิ ก, ลกนะเัาเตือนตัวเองว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่มีหมอแล้วเขาตัดเราแล้วเขาทิ้งเราแล้วเออเรายังอะไรอวรนตาอยู่ไหมที่จริงก็คือรวมอัตภาพทั้งหม ด, ดยอย่างนี้เป็นตน้นเห็นไหมเราจะเห็นว่าจุดหมายของตัญหาเนี่ยถ้าตัหามันโอ้โหถ้าคนยังใช้ตันหาในการดาเนินชีวิตอยู่ ทุกวิถีทางต้องให้ตาไม่บอดแต่ถ้าฉันทะเขารักเขารักสิ่งที่เลิศเลิศ ก, กว่าเลิศ ก, กว่าตาใช่ไหมเพราะตาเนี่ยมันมีความเสื่อมเป็นธรรมาดาแต่นิพพานนี่มันเป็นสภาพที่ดับกิเลสและวัฏฏุดังนั้นพอท่านพอท่านเข้าใจงี้ปุ๊บเนี่ยเข้าใจแยกออกไงว่าฉันทะมันมันมีจุดหมายที่เลิศ ก, กว่าไหมดีกว่าไหมในที่ตัณหาอย่างที่บอกว่าตัณหามันอยากได้ แต่มันไม่อยากทำแต่ชันท้านเนี่ยอยากได้นั้นด้วยแล้วก็อยากทำด้วยอยากทำให้มันดีด้วยเพื่อเข้าถึงธรรมะที่ดีด้วยมันอยากทาทอพรมเนี่ยเข้าถึงธรรมะทอรมะมามาเนี่ยทีม่มันอยากทำแล้วก็จุดหมายเพื่อทำจริงัหมมันอยากทำทอทหารทออัมธรรมเนี่ยให้ดีเพื่อจุดหมายเพื่อทำทอทงความจริงแท้ความเลิศความประเสริฐนั้น เออมันอยากอย่างนี้เป็นฉันทะแต่ถ้าตัณหามันอยากจะได้รับสิ่งที่ดีที่เลิศแต่ให้ทํามันขี้เกียจอยากให้ห้องสะอาดแต่ให้ทํำไหมไม่อยากับอยากฉลาดอยากอ่านไหมไม่อยากอ่านอยากรู้อยากเข้าใจอะไรทั้งหมดนี่แหละอยากฟังไหมไม่อยากฟังแล้วเวลาฟังเป็นยังไงถ้าตัณหาอยู่ในใจแล้ว ง่วงเบื่อเซ็งฟุ้งไปทั่วมั่วแหละมันปัญหามันเป็นอย่างนี้ใครเป็นไหมละ่ะเออเนี่แหละหดถูง้ย ไ, ไม่สนใจเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยปกนี้ก็ไม่ตื่นเนี่ยไอ้นี่ตัญหาเป็นเดิ น, นี้แต่ฉันท้ามาฉันท้านี่มันฝ่รู้จริงๆอย่างๆเลยนะอยากจะรู้โอ้โหยมุมพวกเนี้ยมันรู้ยากจะตายให้แล้วอ่านคิดเองถ้าตายมันก็คิดไม่ออก แล้วเรื่องอะไรมีคนมาบอกวิธีการทําให้เราเข้าใจได้สะดวกเข้าใจได้ง่ายโดยแล้วโอ้โหมันมพลังอยากจะฟังตลอดฟังทั้งวันยังฟังได้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันเคยมีความใฝ่รู้อย่ขนาดใฝ่อยากจะรู้ขนาดนี้ไปแล้วถ้าไม่ใฝ่ขนาดนี้ฉันก็เดินฉันทะให้มากคนที่เขาเป็นบัณฑิตคนที่เขาเป็นนักปราศคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหลายเหล่านี้ฉันทะมีกําลังแต่เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนั้นก็เลยอย่างเราเนี่ยถามว่าชีวิตของเราเนี่ย คิดว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยิ่งใหญ่ได้ไหมในีอัตภาพนี้ได้ไหมมันต้องมีอะไรเราทำได้ไหมฉันทานนี้แล้วคิดว่าจะต้องทำให้ได้ไหม <c oughs> ถ้าทำจริงๆได้ไหมอายุขนาดนี้โอ้ยไม่เหลือจะปะท๊ก๙ก็ได้ที่เราปรท๊ก๙นี่เรา เราสอบไว้เพื่อเพื่อมันเป็นเป็นหลักประกันชีวิตเท่านั้นเองนะแต่ไม่ใช่จุดหมายหลักจุดหมายหลักของเราตอนไปเราจะค้นคว้าเราจะศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าให้ฉลาดได้ตรองแท้ต่อไปเราจะไม่อ่านภาษาไทยเอาภาษาบาลีมาอ่านฟึดหมืดเลยอย่างนี้เข้าใจยังมันต้องขนาดนั้นไม่ใช่แค่มาอ่านภาษาไทยอย่างเดียวไม่มันไม่เวิร์กอะต่อไปเองจับภาษาบาลีอ่านเลยว่างั้นเถอะเป้าหมายก็อย่างนั้น อ่านภาษาบาลีดูพื้นพื้พื้พื้ได้เลยว่างั้นเจนสามารถโอ้โหรู้ได้ไม่ใช่ว่าใช้ภาษาไทยอ่านกันดูแล้วมันคนอื่นแปลมาใช่ไหมเหมือนคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนี้ยให้แปลจอังกฤษเป็นไทยเนี้ยถามว่าความหมายมันได้ไหมจริงจริงเนะี้ยหมายได้ได้ส่วนเดีย ว, วเยวท่านั้นเองที่แปลออกเป็นภาษาไทยเนี่ยเยแต่ก่อนไม่มีใครบอกอาจารย์แบบนี้ไงอาจารย์ก็เลยไม่ไตั้งใจเรียนมันเต็มที่จนสามารถอ่านได้ทั้งหมด ก็รู้เป็นคำคคำคคำรู้เป็นสับสับสเนี่ยมันเสียหายเหมือนกันเนี่ยเพราะอาจารย์ไม่มีใครไม่มีกระยาณมิตรถ้ามีกระยาณมิตรตอนนั้นโอ้โหมีคนบอกโอ้แบบ น, นี้อาจารย์ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นแบบนี้นะแต่ก่อนมันโอ้โหพอมาเสร็จปุ๊บก็ได้โดนให้ทําแต่งานให้รับผิดชอบให้อะไรเยอะแยะหมดอย่างเองเนี่ยมันโอ้เรียนมาเต็มที่ศึกษาค้นคว้าเต็มที่และในส่วนจริง มันจะเก่งได้จริงมันจะเข้าใจคําสอนได้ยริงแท้อย่างนี้เป็นต้นเรียนก็เรียนมันรู้จริงๆนี่ฉันัธาสัมปทานนะประการต่อมาคืออัตตาสัมปทานโอ้ไอตัวอัตตาสัมปทานนี่สาคัญมากนะพอดีไปเก็บข้อมูลตรงนี้มาแปลว่าอะไรอัตตาสัมปทานยังไงคําว่าทําตัวนี้ถึงพร้อม คำว่าทําตัวนี้ถึงพร้อม ค, อคืออะไรอะ่ะลองช่วยขยายอัตตาสัปามาาปทานือบอมอัตตาสัมปทานยังไงมีจิตสำานึกฝึกตน ตรงนี้เขเขียนอย่างนี้นะเดี๋ยวเขียนนะทำตนให้ถึงพร้อมมุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึงได้คือระลึกอยู่เสมอถึงความจริงแท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกซึ่งเมื่อฝึกแล้วจะประเสริฐสูงสุดแล้วตั้งใจฝึกจนมองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปัญหาเป็นดุลเวทีที่ทดสอบการพัฒนาสติปัญญาความสามารถมีจิตสํานึกในการพัฒนาตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเต็มศักยภาพ การพัฒนาถึงพร้อมทุกด้านเออดูตรงนี้นะคำว่าอัตตาสัมปทานะอัตตาสัมปทาศีระสัมปทาอัตตาสัมปทาความถึงพร้อมโดยการฝึกด้วยการ พร้อมด้วยตนที่ฝึกดีแล้วทำตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของผู้พัฒนาแล้วจนสมบูรณ์ทั้งด้านกายศีลจิตและปัญญาที่จะเป็นกายภาวิตกายยะเป็นต้นคืออย่างนี้คำว่าอัตตาสมบทติฝึกตนเองให้ถึงพร้อมเนี่ยอย่างยกตัวยอย่างเช่นว่าคุณธรรมตนไม่มีศรัทธาตนไม่มีศีลตนไม่มีสุตสสตะใช่ไหมฝึก หลักการฝึกตนเองอย่างหนึ่งก็เช่นว่าทานนามัยบุญบุญการทำบุญด้วยการให้พันสิ่งของอันนี้เป็นการฝึกตนไหมศีลการทำบุญด้วยการรักษาศีลการประพฤติปฏิบัติดีเป็นเรื่องการฝึกตนไหมภาวนาการทำบุญด้วยการเจริญสมถาภาวนาวิปัสนาภาวนาเป็นการฝึกตนไหมอภิยญานะไมก็คือการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการฝึกตนไหมโอ วา ย, ยาว จ, จะไมก็คือขนขวายรับใช้ใช่ฝึกไหมแล้วก็ปัตานั้นนุโมทนามัยก็คือการเฉลี่ยส่วนบุญความดีให้กับคนอื่นปตานุโมทนาก็นุโมทนาธรรมะสวนสดการวังธรรมธรรมเทศนาการแสดงความที่ถูกการทํ า, าทความเห็นให้ตนตรงสรุปก็คือว่าการฝึกตนเองเนี่ยทางด้านของกุศลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการมาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลและโลกุตรกุศล เป็นเรื่องการฝึกตนหมดเลยตอนไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุตตะ ม, มีจัก้าปัญญาแล้วก็กุศลละมูลก็คืออโลภาความไม่โลภอโทสาความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจเป็นการฝึกตนแม้บุญกิยาวัตถุทั้งหมดเนี่หลักหลักการเนี้ยกายสุจริตะจีะสุจริมโนสุจรินี่เป็นหลักการฝึกตนหมดเลยนะก็คือฝึกตนเองทั้งด้านของ ทั้งกุศลและธรรมกุศลลมูลกุศลบุญกิจวัตถุกุศ ล, ลกรรมทั้งหลายกุศลกรรมบททั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่าเนี้ยจนถึงสมาธิปัญญาทุกด้านเลยสรุปว่าการฝึกตนเองเนี่ยเพื่อพัฒนาตนเองอยากเพื่อจะเข้าสู่ความเป็นผู้ที่ตอนไม่มีศีลตอนไม่มีศีลอ ตนไม่มีศีลตนไม่มีสมาธิตนไม่มีปัญญาก็ฝึกฝึกให้ตนเองมีเขาเรียกอัตตะ ส, สัมปทาทาตนเองให้ถึงพร้อมทุกด้านด้านพฤติกรรมก็ให้ถึงพร้อมด้านจิตใจก็ให้ถึงพร้อมด้านปัญญาก็ให้ถึงพร้อมมองเห็นไหมเพื่อเข้าถึงภาวิตกายะเป็นผู้ที่มีกายที่พัฒนาแล้วภาวิตศีละมีศีลที่พัฒนาแล้วภาวิตจิตตะมีจิตที่พัฒนาแล้วภาวิตปัญญาคือมีปัญญาที่พัฒนาแล้ว ใ น, นลักษณะแบบนี้เขาเรียกเป็นอัตตาสัมปทามองเห็นไหมนี่ก็เรียกว่าฝึกตนเองให้ถึงพร้อมทุกๆด้านทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้จริงๆเรามีด้านไหนบางตนเองที่เรายังไม่ได้ฝึกด้านด้านกายต้องฝึกอีกเยอะไหมแม้ทั้งอ่อนออกกําลังกายการคิด น, นอ่ะอูอีกเยอะมากเงี้ยตรงนี้ก็เรียกว่าอัตตาสัมปทา ต่อมาก็คือทิฏฐิสัมปทาโดยน่าสนใจนะเาอธิบายไว้่บงนี้นะทำทิฏฐิให้ถึงพร้อมถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรตามแนวทางเหตุและผลตั้งอยู่ในหลักของความคิดความเชื่อถื อ, ถอที่ดีงามมีเหตุและผลอย่างน้อยถือหลักเหตุปัจจัยที่นำไปสู่การพิจารณาไตรตรองสืบสวนค้นคว้าในทางเจริญบัญญว่าเชื่อการกระทำว่าเป็นอำนาจใหญ่ที่สุดที่จะบรรดานชนตากรรม ออถามว่าชะตาชีวิตของเราที่มาที่เราเราประสบอยู่ยืนทุกวันนี้เราเราเราเชื่อว่ามันมีอะไรโดนบันดาลเราไหมมีอะไรโดนบันดาลเราไหมทาให้เรามาอยู่อย่างนี้เราเชื่อไหมเชื่อเชื่อกอมเป็นตัวกาหนดชะตากรรมของเราให้เป็นไปตามเจตจำนงและความจงใจที่จะเป็นเราเชื่อตัวนี้ไหม การเชื่อการเห็นแบบนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราอยากจะเป็นอะไรเราก็เพราะเราเจตนาเรามีเจตจำนงที่จะเป็นเมื่อเรามีเจตนาเจตจำนงที่จะงั้นก็ทําในสิ่งนั้นมุ่งมั่นในสิ่งนั้นเราจะได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเชื่อแบบนี้ไหมไอ้อย่างนี้อ่ะเขาเรียกมันทิฏฐิตามแนวทางของเหตุและผลทําแบบนี้เป็นถึงพร้อม ทำทัศนคความเห็นนี่ถึงพร้อมว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครทำให้เราคนอื่นจะทำให้เราล้มเหลวจะให้เราประสบความสำเร็จได้ไหมใครเป็นคนทําให้เราล้มเหลวบอกว่าเจตนาเจตจนงความจงใจและตั้งใจที่เราจะทำนี่แหละมันทําให้เราล้มเหลวก็ได้ถ้าเรามีเจตนาที่มันเป็นไปกับความไม่รู้ไม่เข้าใจเข่ยไหมไอ้กระดีแบบนี้มีทีนี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากับทั้งพฤติกรรมและจิตใจที่อยู่ในอำนาจของเหตุและผลแม้จะฝ่ายทําให้สำํสำร็ดสําเร็จและดีงามสูงสุดก็รู้เท่าทางความเป็นไปได้ภายในขอบเขตของเหตุปัจจัยที่ ท, ที่ที่มีและที่ ท, ที่ทําสําเร็จและไม่เหลิงลอยถึงพลาดก็ไม่ไม่หงอยงงเนี่ยนะดำรงจิตผ่องใสเบิกบาลตรงนี้ก็ อ, อย่างนี้ไอ้กันว่าทิสมัมปทามันรู้ถึงขนาดไหนรู้ไหยรู้ถึงขนาดว่า แม้เราทำสิ่งใดเต็มที่เท่าที่เราจะทำแล้วเวลาผลที่มันเกิดขึ้นมันยังไม่เป็นไปตามเจตจำนงเนี่ยก็รู้และเข้าใจมันด้วยไม่ใช่ตนเองทำแล้วยกตัวอย่างเช่นว่าตนเองทำเต็มที่เลยอ่าจะทำงานตรงนี้เต็มที่เลยมีคนมาดา่าทำไมทำไมไม่ได้เรื่องเดล้าวเลยเนี่ยก็ไม่ง่อยเข้าใจไหม เพราะเราเข้าใจเหตุที่เราทำและผลถึงแม้มันยังไม่ได้รับเสียงสรรเสริญเยินยอแต่ก็เข้าใจกระบวนการมันอย่างชัดแจ้งเข้าใจอย่างเข้าใจว่าเออเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอีกเยอะนะที่ไม่ได้รับเสียงชมเสียงสรรเสริญใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมากมายนะแต่ที่แน่ๆเราเข้าใจเหตุผลตรงนั้นชัดแจ้งไหมพอมองเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวยก พศูดมาหน่อยนาถีทินนางนาถียิถังเป็นตัวเ น, นี้ที่เห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการวงสวงไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีคุณของแม่มารดามีดีคุณของบิดาไม่มีสัตว์ที่เป็นโอปาปาติกะไม่มี <c oughs> สมณพลาสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติชอบจนสามารถรู้แจ้งทางตลอดได้ตนเองและสอนให้บุคคลอื่นให้รู้นะไม่มีการเห็นแบบเนี้ย ทิฏฐิแบบนี้เป็นทิฏฐิที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องไหมการให้ <S <S <an> <S ทานไม่มีผลเห็น <S an> แบบเนี้ย <S an> เป็นทิฏฐิที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก า, ารให้ทานการให้ทานที่เป็นจริงๆแล้วการ <S <S <an> <S พ, อพอบพบอนพอบบอกอัติอัติทานังการให้ทานนี่มีผลอย่างนี้การเห็นนี่ถูกต้องใช่ไหม ถูกต้องไหมการให้ทานมีผลหรือไม่มีผลมีผลแต่คนที่เห็นว่าให้ทานไม่มีผลไม่เม่ไม่เรียกว่าทิฏฐิสำทาแต่คนที่เป็นทิฏฐิสำทาคือการให้ทานเนมีผลที่นี้พองให้ทานเหมือนฉันท่าทานนางให้ทานแบบเราเองเพราะรักมีผลไหมโทสะทานนางให้ทานด้วยความโกรธมีผลไหมโมหะทานนางให้ทานแบบโมหามีผลไหมพยาทานังให้ทานแบบกลัว กรังสถานังให้ทานตามประเพณีมีผลไหมสักษาทานังให้ทานหวังสุกติโลกสวรรค์มีผลไหมสมณทานังให้ทานหวังให้สบายใจเป็นข่าวๆมีผลหรือไม่มีผลจิตตาลังการสทานังให้ทานเพื่อประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตมีผลหรือไม่มีผลสรุปแล้วการให้ทานทุกชนิดที่กล่าวมาเนี่ยมีผลไหมมีผลหรือไม่มีผลฮะเออมีผลเองคิดตามได้เลยเนี้ยมันมีผล ทีนี้ถ้ามีผลเนี่ยการที่เขาบอกว่าการให้ทานที่ไม่มีผลที่เห็นว่าให้ทานไม่มีผลกับให้ทานที่มีผลเนี่ยเห็นไหมคนที่เห็นไม่ถูกต้องคือการให้ทานไม่มีผลแท้จริงให้ทานมันมีผลแต่พอบอกให้ทานมีผลยังต้องมาแยกไหมแยกอีกเยอะไหมแยกรายละเอียดเยอะว่าให้ทานประเภทไหนมีทัศนคติมีมุมมองอย่างไรมีผลแค่ไหนอย่างไรต้องไปรู้รายละเอียดด้วยถึงจะเป็นทิฏฐิสมปทาไม่ใช่ว่าการให้ทานมีผลเฉยๆมึน มันมีทั้งนั้นแหละเนี่ยการให้ทานมีผลตามลําดับหมดจะไปดูถูกไม่ได้คุณจะโกรธไปให้ไปก็ด่าไปแล้วโยนของเอาไปกินเส้อได้มันมีผลนะไม่ใช่ไม่มีนะมันมีผลหมดแหละแต่มันจะมีผลยังไงก็ว่ากันอีกทีให้ทานด้วยศรัทธามีผลไหมให้ทานด้วยไม่ศรัทธาก็มีผล ให้ทานด้วยนอบน้อมไม่นอบน้อมให้ทานถูกการและผิดการให้สลาขาดและไม่สลาขาดให้แบบกระทบตนบุคคลอื่นและไม่กระทบตนในบุคคลอื่นก่อนให้ดีใจก่อนให้เสียใจเนี่ยนะขณะให้เลื่อมสายขณะให้ไม่เลื่อมสให้แล้วก็ชื่นใจให้แล้วโอ้โหทุกข์ใจเนี่ยนะมันมีผลหมดไม่ใช่ไม่มีสรุปแล้วการให้ทานก็ดีการลการรักษาศีลก็ดีอะไรทั้งหลายมันมีผลทั้งนั้นแต่มันจะมีผลแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราต้องปรับทัศนคติ ฝึกคิดให้มันตรงตามแนวของเหตุผลนั้นๆให้ชัดไอ้ตรงนี้แหละมันต้องปรับทิฏฐิให้มันตรงต่อความจริงก่อนเมื่อปรับทิฏฐิให้ตรงกับความเป็นจริงแล้วพัฒนาไปสู่ปัญญาที่จะรู้ความจริงอีกทีนั้นว่าอีกทีใช่ไหมแค่ทิฏฐิอยู่แค่นี้พอไหมแท่ทิฏฐิสมรธาไม่พอใช่ไหมต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นญานณทัศนะที่ถูกต้องมันถึงจะพัฒนาไปถึงการรู้และเข้าใจอย่างแท้ย่างงี้เป็นต้นพอมองเห็นหรือยัง การบูชาก็มีผลการบวงสรวงมีผลมันมีผลหมดแหละแม้แต่พวกอบูชายันก็ยังมีผลเลยค่าสัตว์บูชายันค่าแกะบูชายันค่าแพะบูชายันปหาะมหาเป็นมหาหมหายันทั้งหลายห้าชนิดที่ก็บูชากันเนี่ยมีผลหมดเลยนะไม่ใช่ไม่มีผลจะผิดจะถูกยังไงแต่ไม่มีผลมากมีผลน้อยว่ากันมีผลเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ว่ากันไปตามดับแต่มันมีผลไม่ใช่ไม่มีโลกนี้มีแปลว่า สัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้มีแต่เราเห็นว่าไม่มีได้ไหมได้แต่ความจริงคือมีคนที่มีทิฏฐิผิดพลาดก็บเห็นว่าไม่มีเราเชื่อว่ามันมีความเชื่อของเราความเห็นเรามันตรงแต่เราได้เห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาไหมไม่เห็นพัฒนาได้ไหมปัญญาชนิดนี้ได้มันสามารถจะพัฒนาปัญญาผ็นความจริงตรงนี้ได้สัตว์ที่มาจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้มีสัตว์ที่ตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นมีไหมจากมนุษย์ตายแล้วเป็นเปรดได้ไหม เป็นเทวดาได้ไหมเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไหมเดรัจฉานเป็นมนุษย์ดได้ไหมสรุปแล้วมันไปไปมาๆกันได้อย่างเงี้ยการเห็นแบบเนี้ยเขาเลยเห็นสอดคล้องตามแนวของเหตุและผลแต่บางคนมันเห็นผิดมันไม okay. ่เชื่อใครไปเห็นผิดไม่เชื่อทั้งๆที่มันความจริงมันคือเป็นอย่างเงี้ยความเห็นของคงนั้นเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเขามิจฉาทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดแค่นั้นเองมันเห็นผิดไอ้ที่จริงๆมันเป็นแบบนี้แต่ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไหม เป็นใช่ไหมล่ะเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดมันไม่สอดคล้องตามแนวของเหตุและผลพอเข้าใจยังทีนี้สามัญนาพรามที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบฝึกทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญามีทั้งกายภาวนาศีรภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดด้วยตนเองสามารถประกาศหลักการให้คนอื่นรู้ตามเนี่ยมีหรือไม่มีมม หลักการนี้มีไหมมีไม่มีบุคคลประเภทนี้ไหมนั่นคือใครคือใครคือพระเจ้าไงแต่คนมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจะมีคนตัดสู้จริงไม่เชื่อว่าคนจะบอกหลักการให้คนฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ตัดสู้ตามได้มีจริงเนี่ยรักหน่อยมิจฉาทิฏฐิมันเกิดเกิดขึ้นอย่างนี้มอง อ, อ๋อยางว่าเราต้องปรับ ทิฏฐิตัวนี้ให้ถึงพร้อมทุกด้านทุกด้านนี่ก็ทิฏฐิสัมปทาอีกข้อหนึ่งก็คืออัปปามาณสัมปทานใช่ไหมแปลว่าอะไร อ, อทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทํำยังไงถึงจะทําตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาททำยังไง ก็คือมีจิตสํานึกไงตอนนี้เรามีจิตสํานึกถึงความไม่เที่ยงไหมมองถึงแล้วก็ตระหนักถึงความไม่คงที่ไม่คงทนไม่ไม่คงตัวของกระแสชีวิตไหมมองเห็นตัวนี้ไหมและสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลาไหมมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไหมในขณะที่เรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยสิ่งรอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไหม กระแสชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไหมไฟเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาไหมกระพริบตลอดเวลาไหมเนี่ยกระแสไฟเนี่ยมันเดินมันตลอดเวลาไหมแปลว่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือไม่เปลี่ยนตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตู้ก็ดีหนังสือก็ดีสภาพสังสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมันไม่เคยคงทนคงที่ถาวรมันเลยอันนี้เราได้ปลูกกิจสำนึกไหมว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนตัวมันเองอยู่ทุกวินาทีเคยเคยปลูกกิจสํานึกแบบนี้ไหม ว่ามันเปลี่ยนตลอดนะเว้ยผมขอเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อนในกระดูกตายหัวใจตาปอดสมองเป็นต้นมันเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเนอะเว้ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะแม้กระแสความคิดมันก็เปลี่ยนมันตลอดเวลานะไ ม, ม่คงทนไม่ถาวรไม่คงที่นะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะได้มีจิตสํานึกอย่างนี้ตลอดไหมอย่างนี้เขาเรียกประมาทเข้าใจยังประมาทแท้ด้วยนะไม่ใช่ประมาทธรรมดาเลยนะประมาทแท้ๆเลยแบบเนี้ยประมาท ถ้าปลูกจิตสํานึกว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงเราไม่เห็นเนะความจริงปัญญาเรามันยังไม่เกิดขนาดนั้นน่ะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะโว้ยต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าปลูกจิตปลูกจิตสมนึกมันมันทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าหรือทุกลมหายใจออกเลยนะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาและจะมานิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้เคยปลูกปลูกจิตสมนึกแบบนี้ไหมเคยคิดอย่างนี้ไหมมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอก ไม่กระแสะกางรูปธรรมในร่างกายเราไม่กระแสะความคิดก็เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมทุกชนิดทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมันเปลี่ยนตัวมันเองอยู่ตลอดเวลามันไม่คงที่ไม่คงทนไม่ถาวรทั้งหมดเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราจะมันนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้เราจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้มันได้ปลูกเห็ดสมนิคนึกและคิดอยู่งี่ตลอดเวลาไหมเข้าใจตลอดเวลาไหมถ้ามันเข้าใจตรงนี้มันยาวประโยชน์จากความไม่เที่ยงได้เอานี้ว่า ตามันไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงกระแสชีวิตมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนมันสุดมันซ้อมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ถามว่าแล้วมันนอนนิ่งแล้วมันนอนเอาอะไรจินก็น่ากันหนาทําไมแล้วไม่ปรับปรุงพัฒนากระแสชีวิตของเราใหม่ไม่คิดใหม่ไม่ปรับปรุงตัวเองใหม่ไม่แก้ไขใหม่ทําไมเรามาประมาทัวเมาขนาดนี้พอมันคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บมันอะไรรู้ไ้มเวลาแต่ละวันย้ายผ่านไปเปล่าจะมากหรือน้อยต้องคว้าประโยชน์จากมันให้ได้ เอาแล้วเอาประโยชน์จากมันให้ได้เก็บประโยชน์ให้มันได้อย่างน้อยที่สุดเก็บบุญให้มันได้ไม่ใช่แต่ละวันแล้วนะข้าเนะเวลาแต่ลนะชั่วโมงอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะมากหรือน้อยต้องคว้าประโยชน์จากมันเลยเวลาแต่ละสามสิบนาทีอย่าให้ผ่านไปเปล่าเวลาเจ็ดสิบนาทีอย่าให้ผ่านเวลาแต่ละห้านาทีอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะมากหรือน้อยต้องคว้าประโยชน์ออกจากมันให้ได้มองเห็นี่อย่างใดเนี้ยมันจะได้ประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่กับเลื่อยๆเอวยืมืน้น ไม่รู้เรื่องรู้ราวมองเห็นหรือยังอ้ น, นี้เขาเรียกว่าเข้าใจคำว่ากดไตรลักษณ์เลยไหมไม่ประมาทถามว่าเราเราออกมาเราไม่เรียนทางโลกแล้วใช่ั้ยเรามาอยู่ทางธรรมเราต้องค้นขวาให้รู้เราค้นขวาให้รู้ ให้รู้คําสอนให้รู้หลักการของชีวิตต้องดําเนินชีวิตให้ได้ย่างน้อยที่สุดตรงดาอดมาอยู่ในเพศเนี้ยเรียนรู้บาลีไม่พอเรียนรู้ภาษาไทยไม่พอภาษาอื่นนู่นต้องเรียนต้องเรียนเอาละสิ่งต้องค้นคว้าต้องไฝรู้แหละเดี๋ยวนี้ไงไงต้องขนขวายต้องสอบต้องอะไรก็แล้วแต่ใครจะว่าไงไม่สนแต่เราต้องเอาความรู้ให้ได้ และในขณะเดียวกันเมื่อความรู้เขาวัดผลทางโลกโลกเขาเขาวัดสามารถไปเรียนรู้ไปวัดผลทางโลกเขาได้มองออกใช่ไหมเราสามารถที่จะมีการันตีงเราได้หมดอย่างน้อยที่สุดการันตีทางธรรมเรามาแล้วก็สอบไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันถ้าข้นขวายสอบอย่างอื่นได้เราก็สอบไปทําเต็มที่ตาเต็มศักยภาพเรียนรู้ภาษาอะไรอยากกลัวอ อ, อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเองศึกไปเอจะไปทําอะไร มองออกไม่เคยเห็นไหมบางคนบอะเอ้อยอยู่ไปเกิดมีศรัทธาไม่มีศรัทธาแล้วพอศรัทธาหมดเข้าไปวสึกออกไปไม่ได้เรื่องใดแล้วอย่าไปคิดนี้ขอให้มีความรู้จริงไหมต่อให้รู้ธรรมะเนี่ยรู้จริงๆเอาตัวรอดได้ไหมรอดได้ไมไ่ไดได้ เองรู้ธรรมะอย่างเงี้ยเอารู้ธรรมยไปสอนที่ไหนเยอะหมดที่รู้จักชีวิตอยู่ได้ไหมจริงๆอยู่ได้ไหมได้มีแต่คนต้องการแต่อีก ท, ที่มันมันไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่รู้มันสอนเขาไม่ได้ไอ้ที่มันเรียนเรียนไปอ่ะที่มันไม่ได้เรื่องทั้งหลายเลยเนี้ยถ้าลองให้รู้่ภาษาบาลีลองรู้จริงๆมีแต่คนต้องการ ดึงตัวเพียบต่อให้เป็นคราว่าก็ได้เป็นนักบวชก็ได้ให้รู้จริงๆนะแต่ไม่ให้รู้แบบกลมแแมกลมแแมไมไ่เรื่องในราวนะถ้ารู้จริงๆเนี่ยคนฉลาดเนะี่ยอยากอยากกังวลอยากกังวลแค่หาข้าวกินขอให้เรา ท, ทนะําเต็มที่นะค้นคว้าเต็มที่ให้มีข้อมูลเต็มที่ใครจะไปพูดอย่างไรฟังได้หมดไม่มีปัญหาแต่ชีวิตเราต้องเลือก เราต้องดำเนินไปให้มันถึงจุดหมายเข้าใจอยังเนี่ยเราจะเรียนให้เก่งยังไงก็ได้เพราะทุกวันนี้ระบบเทคโนโลยีอยู่ที่ไหนเรียนได้หมดไหมได้หมดได้หมดจริงๆสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเรียนไม่ได้จริงๆมันยากจริงๆนะแม้ตารามันไม่มีแต่ทุกวันเนี่ยมันสามารถเรียนได้หมดจริงๆนะจริ ง, นะรงหมท่านจะเรียนภาษาจีนได้ไหม อยู่ตรงนี้ยไม่สมมุติสมมุติถ้าจะเรียนมันเรียนได้หมดที่จะพูดให้ฟังมันได้ทั้งหมดเลยตอนเนี้ยแต่ว่าประเด็นคือนั่นแหละเราชีวิตจะต้องไอถ้าไม่รู้เนี่ยมันขอให้มันรู้อันนี้นี่พูดให้ฟังสําหรับบางคนยังกังวลในชีวิตเลิกกังวลอย่า ก, กลัวอดตายอย่า ก, กลัวอดตายเนี่ยต่อให้ ึกออกไปทั้งโลกนะไปเรียนให้จบปริญญาอีกได้เงินเดือนเท่าไหร่มันจบกันเต็มใช่ไ้ย،มันไม่ได้ออกมาคนคนเดียวเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยมันจบออกมาเท่าไหร่ตรีเนี่ยปีหนึ่งเท่าไหร่โทออกมาเท่าไหร่เอกออกมาเท่าไหร่แต่สายที่คนจบน้อยที่สุดก็คือด้านธรรมะ เองเดินเข้ามาถูกทางเดินไปเลยเดินมันทุกจบน้อยมากอย่างอย่างปีนี้จบประโยคเก้าเท่าไรนะน 54. ห้าสิบสองคนมปีห้าสิบสี่ฮะแค่นี้เองนะปีเดียวมีเจบแค่นี้น้อยไหมแล้วมันพอต่อความต้องการไหมไม่พอเลยไม่พอต่อความต้องการเลยนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้หมายถึงถ้าคุณภาพจริงๆไปเจานะมีไม่เท่าไหร่ด้วยนะ อันนี้เราอยากเป็นอย่างนั้นจบได้แต่ให้มีคุณภาพเดให้มีคุณภาพเดิมทุกวันเนี่ยหาคนไม่จะแปลเขาจ้างเท่าไหร่ก็จ้างไอ้แปลบาลีเนี่ยมันสึกออกไปกันก็แปลก็ได้แย่หมดเนี่ยคนหาหาคนแปลต่งหาคนที่จะมาทำงานได้ตรงเนี้ยหายากมากเอาแค่สอนก็หายากแล้ววิ่งหาซื้อตัวกันไปแล้วไปเลยมันขนาดนั้นนะคนเก่งด้วยนะคนเก่งนะีน่มันหายาก ไอคนไม่เก่งไม่ต้องพูดถึงสอนพวกงูปลาเนี่ยนั้นเรียนอะไรเรียนมันเก่งอย่าเรียนแบบไม่เก่งเดี๋ยวต่อไปเรียนมันต้องบาลีใหญ่ด้วยอะไรด้วยเรียนมันไปจริงๆยังจังเล ย, ดยเดี๋ยวนี้อย่าไปกังวลมีที่ที่จะให้เรียนได้เต็มที่อันนี้พูดให้ฟังเรื่องทิฏฐิใส่ทิฏฐิมันถูกก่อนนะทิฏฐิมันถูกก่อนที่มันคําว่าสัมปทาแล้วก็อภมาณนะอย่าประมาทไอตรงนี้สําคัญที่สุด ข้อสุดท้ายจริงๆก็คือเรื่อโยนิสงฆ์นะสิกาและสัมปทานนั้นก็เราคอยไปว่ากันอีกทีแต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออัปมาทัมความไม่ประมาททาความไม่ประมาทได้ถึงพร้อมเพราะว่าการที่จะปลูกจิตสํานึกในการฝึกตนอยู่ตลอดว่าสรรพสิ่งทั้งภายในและภายนอกมันไม่เที่ยงมันไม่คงทนไม่ถาวรมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาตัวนี้สําคัญมากมันเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนเร็วจนจนรู้สึกว่าน่าตกใจน่าใจหาย สำหรับที่เรามนุษย์ไม่ไ ม, ไม่ไม่ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาด้วยกำลังของสติแล้วก็ฝึกผลพัฒนาตัวเองให้รู้เท่าทันต่อสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานีนให้เข้าใจอย่างนะมีอะไรถามไหมมีอะไรไหมมีไหมมีไหมไม่ดีพอพักข้ามมา คำว่ า, วาทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในที่นี้ก็คือว่าตรงนี้ตนเองยังบกพ่องอะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นไอกรณีที่สรรพสิ่งภายในและภายนอกมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาถ้าคำว่าไม่ประมาทคือการเป็นอยู่โดยการไม่ขาดสติพอมีสติเนี่ย คือความระลึกปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มองมองดูสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่มันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาทีนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรที่เราจะต้องเอาประโยชน์เมื่อเราเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นชีวิตมันเปลี่ยนมันไม่เที่ยงมันดำเนินไปสู่ความแตกดับแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดถามว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้ น, นมาในการเอาประโยชน์ใช่ไหม ทีนี้ประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์แนวนอนกับประโยชน์แนวตั้งแนวดิ่งเนี่ยเออเป็นเอ่อแนวราบกับแนวดิ่งเนี่ยถามว่าถามว่าประโยชน์ที่ตาเห็นเนี่ยนะประโยชน์ที่ตาเห็นแนวดิ่งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถามว่าเราได้ดูแลตัวเองเต็มที่ไหมด้านสุขภาพร่างกายตอนนี้คุณภาพชีวิตเราเป็นยังไงอาหารที่บริโภคเข้าไป การออกกําลังกายเราอยู่อย่างไร้โลกไหมอยู่ดีมีความสุขไหมตรงเนี้ยเอาและดันดนดันดันร่างกายใช่ไหมแล้วว่าเรามาดูตรงนี้คุณภาพชีวิตเราเป็นยังไงนี้เราดําเนินชีวิตได้ถูกต้องตามหลักของคําสอนของพระเจ้าหรือไม่ทีนี้อีกในด้านหนึ่งก็คือการที่เราเป็นอยู่ทั้งหลายเหล่าเนี้ยเราจัดการระบบทั้งหลายเหล่าเนี้ยที่เราความเป็นอยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหลายเหล่าเนี้ยเราจัดกระทําหน้าที่ของเราทั้งหลายเหล่าเนี้ย เราดําเนินเลี้ยงชีพของตนเองเราเราถูกต้องดีงามตามพระธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่ไหมไม่ถูกบัณฑิตทั้งหลายตําหนิตีฉินนินทามไมเนี่ยเนี่ยเรื่องดำเนินชีวิตได้ถูกต้องดีงามหรือเปล่าทีนี้ในขณะที่อยู่ทั้งหลายอยู่ด้วยกันทั้งหลายเลยเนี่ยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขปฏิบั ต, ติต่อกันเนี่ยทั้งด้านปฏิบัติ ต, ต่อการด้านศีลด้านความเป็นอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ยอยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคี นี่คือหลักการที่ประโยชน์ที่พึงเห็นตาเห็นได้ได้ที่เราตาเห็นได้การประกอบกิจกรรมร่วมกันทั้งหลายเรานี้ยอยู่ด้วยความรักความสมัครสมานสามกีทั้งหลายนี่เป็นต้นความไม่ประมาทตื่นตัวประการต่อมาพัฒนาไปสู่ตาศรัทธาใช่ไหมเราได้กัลยาณมิตรแล้วเราสดับฟังไหมด้วยความไม่ประมาทจะต้องขนขวายความรู้ให้เต็มที่แล้วฟังข้อมูลคําสอนให้เต็มที่เลยอะไรที่ยังไม่รู้รีบรู้เสียเพราะเราชีวิต มันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองมันอาจจะป่วยเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่อะไรก็ยังไม่รู้อะไรที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจในคําสอนฟังสดับให้เต็มที่หรือให้เกิดความเข้าใจให้เต็มที่นี่ ไ, ไม่ด้านฟังสองว่าได้ศรัทธาได้ศรัทธาในพรัฒนาไตรลินได้หลักในการดําเนินชีวิตหรื อ, อยังพอได้ศรัทธาไปเสร็จปุ๊บชักศรัทธาพัฒนาไปสู่โยนิโสมนัิการได้ทิฏฐิสมรทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ได้โยนิโสมนสัสการพอโยนิโสมนสัสการปุ๊บพัฒนาก็คือ สัตมาที่ถือสมาสังฆปาเนี่ยนี่ตัวกระตุ้นก็ถึงอริยมรรคได้หรือเปล่านี่คือความไม่ประมาทใช่ไหมนี่ประโยชน์ที่มันเลยตายเห็นและเป้าหมายเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งก็คืออนุปาทาบริบาลอันนี้อันนี้ส่วนต น, น, นแนวดิ่งเนี่ยแนวราบแนวราบแนวราบแนวราบก็คือตนเราเองได้อย่างไรคนเกี่ยวข้องทั้งหลายเราเราชักจูงให้เขาได้ประโยชน์ทั้งด้านคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีเกียรติยศชื่อเสียงที่ดีทั้งหลายเหล่านี้ สักความสมัครสมานสามคัคคีกันเนี่ยเราได้แนะนําเขาแค่ไหนแล้วแนะนําเขาให้เข้าสู่การที่ได้สดับตรับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าคบกัลยาณมิตรฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาได้โยนิโสบริสการพัฒนาสุดศีลสมาธิปัญญาไหมเนี่ยและข้อเป้าหมายสูงสุดก็คือได้นี่ก็ไปได้ไ ด, ได้ได้ประโยชน์สูงสุดตามที่เราเราเพือเ่อจะเข้าถึงหรือไม่มันก็ได้ทั้งแนวดิ่งและแนวลาบอย่างนี้เป็นต้นก็คือทำก็กําหนดประโยชน์ถามว่าเราจะกินอาหาร แล้วกําหนดประโยชน์ต่อร่างกายไ ด, ได้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีพอไหมไม่พอได้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วมาฝึกอะไรต่อนะฝึกอะไรต่อเข้าถึงสุดสินสมาธิปัญญายัางไงกันว่าไปตามนแบบั่นแหละกรณีแบบเนี้เขาเรียกไม่ประมาทไม่ประมาทเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมันไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ถาวรเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วเราฉลาดในการที่จะให้เหตุปัจจัยเห็งความเจริญเหตุปัจจัยความเสื่อมยังไงคือแต่ละวันไม่ให้ผ่านไปเปล่าต้องคว้าประโยชน์ให้าน้นคาว่าป ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันหมายถึงไอ้ตัวอัฏฐ์ตัวเนี้ยอัฏฐาหมายถึงประโยชน์ประโยชน์ไหมประโยชน์ในที่นั้นหมายถึงตัวธรรมะเลยศรัทธาก็เป็นประโยชน์ศีลเขเป็นประโยชน์สมาธิปัญญาก็าเป็นประโยชน์ประโยชน์จริงๆคืออย่างนี้งั้นกิจกรรมของชีวิตที่เราทําทั้งหลายมันได้ประโยชน์ตัวนี้ไหมพ่อมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมของพวกเราที่มันโดยมากที่มันมันเสียาหายก็คือมีตรงนี้หนึ่งตัวที่ เราไม่สามารถเดินกุศลได้ทุกขั้นตอนจริงอยู่ตอนฟังนี้กุศลน่าจะเกิดพอกิจกรรมการฟังจบผ้าลงแล้วก็หยุดกุศลก็ไม่เดินเนี่ยอันเนี้ยเขาไปฝึกเดินได้โดยเฉพาะบอมที่จะต้องดำเนินชีวิตไปอีกกลางนั้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเอื้ออื่นนะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอือ้อเดินกุศลยาก